ที่ตั้งใจในการศึกษาวิธรรมในครั้งนี้ก็จะได้บรรยายต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของนีน การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์หรือของพระพุพท้เจ้าทีนี้เราพูดถึงในเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยนะการอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างบารมีของขขพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ ย, ย, ยบบนะเป็นสิ่งที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยพ ย, พยายามในการสั่งสมหรือสร้างบารมีเนี่ย ฉะนั้นในคำสอนที่กล่าวก็ไว้ในพระสูตรต่างๆที่เราว่าทั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงประวัติและก็ความเป็นมาของพระศรีอริยเมตไตรหรือพระเมตไตยพระพุทธเจ้าที่พูดตรงนี้ก็คือว่า ได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีทั้งที่เป็นธานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นไปานตามลำดับแล้วก็บอกถึงลักษณาที่จะตุกะหมายความว่าเป็นลักษณะหนการสร้างบารมีของพอระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นต ที่นี้ได้กล่าวถึงในครั้งที่แล้วได้พูดในเล่เลาเรื่องถึงอชิตาพิคุที่ได้กล่าวบอกว่าคือสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี่ยพระเมฆกิยะโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสข้างหน้าเนี่ยถามว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี่ยท่านได้แล้อุบัติเกิดขึ้นไหมบอกมาอุบัติเกิดขึ้นเพื่อสร้างบารมี ได้เป็นสาวกรูปหนึ่งของพระองค์มีนามว่าอชิตาภิกษุเรื่องนี้มีเล่าไว้ในประถมสมโพธิกระถาหรือที่เราบอกว่าประสมปรสมสมโพนคือในาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเขาเนตใจยะโพธิสัตว์ตอนเกิดเป็นราชโภรถของพระเจ้าแค่ศัตรูใช่ไหมที่ได้กลับเลยกับพนางกังจรณะเทวีพระอัครามเมียสีมีพระนามว่าอชิตาภุมาร ต่อมาพระทรงเจริญวัยในสมัยที่พระราชดีดาทรงเรื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วเนะี่ยต่อมาชิตาคุ ม, มาลก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระรูปอันเป็นสิริของพระพุทธเจ้าทั้งได้ทรงสลงว่าทำรมเทศนาเ น, นานะี่ยต่อมาเกิดจักเรื่อมใสสงมนนัะ้ในพุท ธ, ธานุภาพยิ่งนะแล้วก็ขออนุญาตพระราชดีดาออกบรรยายช้าอุปสมบทในต้องพุทธศาสนากับบริวารอีกหนึ่งพัน ต่อมาเขาเล่าเรียนพุทธวจนะหรือพุทธพจน์เป็นนานมากทั้งได้บอกสอนธรรมมากแก่เพื่อนศาสตธรมจารีอีกด้วยทีนี้สมัยเมื่อพระโบรมาศ า, ศาศาสดาสเสด็จกรุงกบิลพัทแห่เป็นครั้งที่สองตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนประทับที่นิโคลทาราทั้งนั้นนางปชาบดีโคตมีถามเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าเป็นข้ามาจุดฉาจ้า เข้าใจคำว่าพระมาตุฉานเป็นน้องของแม่นะใบท่านใช้คำว่ามาตุฉานะตาลกิจถวายจิวอนอันหาข้ามิได้แบบเพราะบรมศาสตร์สดาจริงกระทำทุกอย่างด้วยพระ อ, องค์เริ่มตั้งแต่เพาะเม็ดพัลงในอ่านของคำในเจ็ดใบแล้วก็เป็นจุก ด, ดินปนผงทองและของหอมที่เชือด้วยมัทรส สี่อย่างแล้วเมื่อทําอย่างนั้นแล้วก็รดด้วยน้ำนมโคที่เจือด้วยผงทองเมื่อต้นไฟออกดอกสีเหลืองเหมือนดอกกัญญาการเนี่ยท่านางก็เก็บไฟด้วยตะขัดแล้วก็ใส่ลงในข้าวอบทองเลือกไฟหยีไฟปั่งเองเส้นได้แต่และเส้นละเอียดอ่อนมีสีนี่เหมือนทองคำแล้วก็มอบไปช่างผูที่มีสีเมือนําไปทอ ในผ้าที่โรงหมูแล้วพ้นานังก็ให้บุคคลตกแต่งอย่างวดงนมในพระราชวังก็เสด็จม า, าทอดทาเนี่ยการทอทุกวันต่อมาก็ทอผ้าได้สองผืนคือกว้างเจ็ดสอบยาวสิบสี่สอบผ้าองนี้นกว้างเนี่ยเจ็ดสอบความยาวนั้นสิบสี่เท่ากัน พระนางก็ทรงพับผ้าสองขื่นใส่ผ้า อ, อบเท้าแล้วก็ทรงยกผ้า อ, อบขึ้นเหนือเศียรแวดร้อยด้วยแวดล้อมด้วยนางสาค ย, ยากันญาจำนวนหนึ่งเส้นถือสิ่งของมีดอกไม้ถูกเทียนของหอมเป็นต้นแล้วก็ไผ่หนึ่งแสนขื่นคือบริวารไปด้วยกันแสนต น, นขเขาละขื่นเราขือนเราขือ น, นใช่ไหมแสนถือตราคาขื่นละแสนเนีาหาปัญหา ราคาแพงบรรจุในพระอกทองเนี่ยแสนใบกับผ้าอีกพันถึงราคารือละพยายามาสนะบรรจุในทองเองินพักไปใส่แล้วก็ไปยงนิโคทารัตอนนั้นก็า ร, รมมาตาดาก็ขาป ร, ราาทั่งประทับนั่งบนพุทธาอศแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ดงามเหมือนกระจังพิงเนีนะลอยเด่นอยู่กลางกระพานเขาแวดล้อมได้เหล่าภิกษุสงฆ์งดงา พระนางประชาปีีพร้อมเล่ยบริวารก็ทอดพระเนตรเห็นความงามของพระบรมศาสด า, าเนี่ยก็เกิดปีสี่สมวนะคนในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาได้อะไรรู้ไหมได้พุทธคุณเวลาเขาไปเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เจริญพุทธคุณว่าโอ้พระพุทธเจ้าหนึ่งนะนีคือมีพระสิริพระวร น, น้าอะไรต่างๆเนี่ยงดงามมาก เขาไม่ได้เป็นติดที่พระรูปของพระพุทธเจ้านะแต่เขาก็เริ่มถึงกรรมคือการอบรมบารมีวธานบารมีศีลบารมีเนกขมาบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นรรน่ของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่ทํามาเสียสงไข่แสนก่อจึงได้ฐานะจึงได้พระรูปเช่นนี้ฉะนั้นพอเขาไปคิดถึงกรรมแล้วก็คิดถึงผลของกรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าตรงเนี้เขาก็เกิดปีติเกิดโสมนัตใน การเห็นพระวรกายของพระพุทธเจ้า น, นำประชาบดีโคจะมีเวเนศะทรงปีติสองมนัฐทราบด้างไปทั่วสกลกรกายเลยนะแล้วก็ถวายอภิวาทุเานเดจารวัปรดิศแล้วทรงเปิดพระอบหยิบผ้าสองผืนออกมาแล้วก็น้อมถวายรูปพระมรรคกราดาษก็ทูลบอกว่าขอความกรุนาให้พระองค์ทรงรับผ้าผูน้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสกแก่ แต่ข้าพระยาตลอดการนานด้วยถือในตำล้องอย่างนี้ น, นนะพระบ ร, ร, รมศาสดาก็กล่าวว่าดูก่อนโคจงนี้ขอจงถวายสงเสริดจะได้มีผลมีพระรานีสงยิ่งกว่าถวายอุทิศคือเจาะจงพระองค์ทั้งยังได้ชื่อว่าได้บูชาพระองค์และพิสูจน์สงทั้งปวงด้วยพระนางประชาชีก็การาบทูลในรัตนาให้พระบ ร, ร, รมศาสดารับถึงสามครั้ง แต่พระปรมาสตร์กถาก็องไม่ได้ทรงรักตรัสขอให้ถวายสงทุกครั้งเลยแต่ตรงนี้บอกว่าครั้งที่แล้วได้ถามบอกว่าเหตุใจพระปรมาสารุลาจี่ไม่ทรงรักทรงไม่รักแต่กลับให้ถวายสงทาตอบก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค่ายจะอนุเคราห์พมานดาด้วยว่า พมานดานีปารบสถาคตคือปารบพระพุทธเจ้าด้วยเจตนาเท่าไหร่สามการใช่ไหมเจตนาก่อนทัเกาเรียกวุภพสเจตนาเจตนาในขณะทำเกาเรียกวุญจาเจตนาเจตนาในขณะที่ทาแล้วเรียกว่าอปรเจตนา นัปารลบพระพุทธเจ้าได้เจตนาสามการคือก่อนทาขณะทําและหลังทางําแต่พระพุทธเจ้าต้องการญาณเคราะห์พมานดาก็เลยให้ปารลบสองอีกสามการนั้นถ้าปารลบสองก็คือว่าจอดสงถวายพระพุทธเจ้าได้สามการแล้วได้ก่อนทาํขนาขณะทําหลังทางําำอือย่างนี้ต้องการให้มารดาเนี่ยพมานดาแม่เลี้ยงเนี่ยนะ ได้บูญให้มากยิ่งขึ้นบอกให้ตารอบสงอีกสามการก็หลอกจงถวายสงเลยก็ก่อนทาขณะทาและหลังทางก็รวมเป็นหกอันนี้เขาเรียกว่าบูนเจตนาหกบริบู์การถวายผ้านั้นก็จะมีพรารกาจอนยิ่งสง ม, มากเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานจึงตรับข้ามถึงนสามครั้งให้ถวายสง ช่วยคนทั้งหลายที่เกิดมาภายหลังไม่เกิดความเคารพยิ่งในพระสงฆ์นะั้นปิฏกันก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ไม่นานก็จะปรินิพพานแล้วก็อมภารรักในจันทร์แต่สงฆ์เนี่ยจะอยู่นานฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตาล้ให้ถวายแก่สงฆ์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสง ให้แล้วก็ต่อไปคนเขาทํำบุญก็จะได้ตาลบสมในลักษณะอย่างนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงดํำริว่าพระองค์จะทรงมีพระชนกีบอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็จะไปนิพพานเมื่อพระองค์ไปนิพพานแล้วในสาวกทั้งหลายจะลําบากด้วยปัจจัยสี่หาได้ยยากหากเป็นเช่นนั้นาศาสนาของพระองค์ก็จะดํำรงอยู่ไม่ถึงห้าพันปี แต่เมื่อพระ อ, องค์ตราบให้ถวายสงเสียแบบนี้ในอนาคตการราบสการาชก็จะมุดเกิดแก่สมทั้งปวงด้วยเหตุทังกล่าวเนี่ยพระ อ, องค์จึงตรัสห้ามเสียถึงสามครั้งแต่ท่านานางเนี่ยไม่อาจจะกำหนดดําปริพระไทยของพระบรมศาสดาครับคือโดยมากเนี่ยคนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่รู้ความคิดของพระพุทธเี้า แต่นความคิดของเระจากพระพุทธเจ้าเนี่ยยากแท้อย่างถือเมือนเราเวลามองวัาคะของพระพุทธเจ้าในพระรูปนี้นะเข้าไปในอูโบสถก็ดีในโรงอุโบสถทั้งหลายตลอดถึงเห็นพระรูปของพระรพุทธเจ้าตามสถาที่ต่างๆที่ช่านตั้นที่เขาปั้นกันมาเนี่ยนะเวลาเราไปมองถามว่าเรารู้ไหมในขณะที่เรามองเนี่ยพระพุทธเจ้าวางอะไรในตัวเราใช่ไหม เรารู้หรอเปล่าว่าพูกท่าพวกเอองเระหวังอัไรในตัวเราหวังในสาวกทั้งหลายอย่างไงบอกว่าจริงๆเจตนาของพระพุทธเจ้าก็คือหวังว่าปักษณะให้เราเนี่ยดําเนินตามพระองค์ใช่ไหมก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราข้ามได้แล้วจัะยังบุคคลอื่นให้ข้ามด้วย เราพ้นแล้วจัดยางบุคคลอื่นในพ้น<ม>คือเราตัดครู้แล้วเอยากจะทาําบุคคลอื่นให้ตัดครู้ด้วยเป็นต้นฉะนัธธ้นเจตนาของผู้เท่เจ้าในเหล่าพุทธบริษัทนคือว่าลาตนาให้พุทธบริษัทนั้นเนี่ยตัดครู้อริยสัจตามพระองค์ใช่ไหมจะได้เป็นสาวกของพระพุธธทธเจ้าทำกิจวัตราิการก็แบบผู้ฟังเยอะเขาแบบฟังฟังจนเป็นปัจจัยกนการตัดครู้ ฉะนั้นเนี่ยพ่านางไม่อาจกําหนดกมริพระไทยของพระบรมศาลาได้กินโคมนะนางนะประชาบดีโคตรดีกคตรเสียพระไทยเสด็จเข้าไปหาท่านท่านนมถวายอัญเชิญแล้วก็กราบยินดวนขอร้องให้ท่านบ้านนมเนี่ยกราบทูลพระบรมศาลาว่าท่านนางต้งมีความผิดอันใดพระบรมครูจึงไม่ได้ทรงรับข้าของพระนางท่านท้านนมรับพระราฐนาแล้วก็เข้าไปพ่อพระคุณเจ้าก็กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรงกรุณารับพระผู้นี้ของมรนางพญาบดีพานาง น, นี้เป็นพระมาสุดฉาได้ที่บานประลวงเลี้ยงพระองค์มาแต่ประสูนเจดวันนั้นหรวอไมน่นะเมื่อพระพุทธมารดาสวสรรคตคือท่านพรานนอนก็ไปปรานาคุณพวกเอือกับพระมาสุาดฉาพระนางปยาบดีพระธิดามีคุณคุณกับพระพุทเจ้ามากทรงถวายเขียนาคาราให้เฉวยนั่นคือมั่นนองเลยนะตราบจนเจริญวัยนี้ก็คนเหลือขนาดนะ ทั้งพ น, นัก็ตั้งอยู่ในใจแตล่ละน้คงเป็นพระโสดาบันมีศีราะแกว้แวใส่นาำตัดทะุอริยะ ส, ะสัตตีการคือตัดระลุทุ่งโยการกำบัดทะุตัดรุสมุทัย้วยการละตัดสะุนิโรธโ ด, ดยการทำให้แย่ตัดทะุอริยมรรคโดยการเจริญ้วยการอบรมอะไรก็ไปพนามให้พระพุทธเจ้าฟังนี่พาะนร น, นจะเป็นคนมีปัญญาไหมเวลาไปพูดอะไรก็มีเหตุผลเพียงพอ คนในยกปัจจุบันบเนี่ยบางทีไปพูดอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอย่ย่อมตัวอย่างเช่นไปขอให้พู้ใดตากเปันาปสวนาวเนยาสนาประจำชาติผู้ใดที่ท่าไหนรู้ว่าไม่เหตุผลก็เล ย, ยไม่นะ่ามีก็เรียกว่าปัญญาไม่พอถ้าบ้านันอยู่ได้ไปนะยุคหลังเนี่ยสาวกไม่มีปัญญาเทองจัดกาถึงแล้วก็เลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็รอโ อ, อ ก, กาสนะว่ากันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศรัทธาภาษาธาตในพุทธศานสนาโดยไม่หวั่นไหวคืออย่านึงืมนะคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าคือตร า, า, า, า, าตรากคว า, นน า, ามการขาความสงสัยในพระรัตนตรัยหมดความสงสัยในตระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ อันนี้คือพระสวัสดิบัตรเขเลยบอกว่าเรื่องควรที่พระองค์ทรงยัติรุณาไดยแค้พระบรมศาสดาพระสัตรกลางบอกว่าดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลเช่นพระนางประชาราชคตรจะมียสมควรจะได้ทําอัญชลีสามีกิกรรมและถวายเจตุปัจจัยทานแก่บุคคลผู้เป็นนาการคือถาคตโดยการตอบแทนคุณเนี่ยมิใช่ทําได้เลยนะแต่ถานคดแก่กล่าวถึงปาปิปุคริจตาทาน อทานที่ถวายได้จอดจงแก่ผู้รับโดยพิสดารและจะกล่กาววิธีแห่งทางและวิธีมีอยู่มากยากที่บุคคลจะรู้ได้ทั่วทั่วในลักษณะของทานเหล่านั้นแล้วประตาทักษีาวิพังกสุคือจะแม่ประเภทแห่งปาปิปุคคิกทานเ4็ดสิบสี่อย่า ง, างแล้วประกัดสังาทานอีกสี่อย่างโดยพิสดารก็เลยแสดงให้ทราบว่าอาทานสองอย่างมันารกันยังไง ในปาฏิปุ ค, าคาริคฐานสิบสี่อย่างคำว่าตาฏิปุชริคฐานมันแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการถวายทานโดยเจาะจงผู้รักมีอยู่สิบสี่อย่างนะการถวายเจาะจงหนึ่งถวายทานดูคิดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเจาะจงสองถวายทานแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรู้จักพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไะ ปัจจุบันมีหรือไม่มีไพระปฏิเจรจกุฎา้ า, จ ะ, จ, าจะมีในยุคที่มันมีกุฎา้าอย่างนี้เป็นกเุเจ้าประเภทการรู้ได้เองสามถวายทานแด่พระอารหันต์ตถาวกอั น, นี้คือสาวกของกุฎายาสี่ถวายทานแก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แก้ซึ่งอ า, ารักตาภพ เอออันนี้หมายถึงว่าคนกําลังเร่งประพฤติปฏิบัติเพื่อจะทําให้แจ้งซึ่งอราัตผลคนที่จะทําให้แจ้งได้ระดับนี้ต้องเป็นทานาคามีบทนาคาับมีเพื่อต้องการทำให้แจ้งคือข่าถวายทานแบบท่านาคามีหกถวายทานแบบคู่บุพเพขียนเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งานาคามีบทเจ็ดถวายทานแบบท่าสากัดนาคามี แต่ถวายทานแด่ผู้ที่ทำความเพียรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกาทาคามีพทธเก้าถวายทานแด่พระโสดาบันสิบถวายทานแด่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาบดีพุทธเห็นไหมว่าสิบเอ็ดถวายทานแด่ดาบทนอกศาสนาที่ได้โลกียะชาสมาบัติสิบสองบริจาคทานแก่เครือขัน ปุตุชนพวกมีสิลปเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมโเพูดถึงตรงนี้นี่นะสมัยใดไม่มีพ้าถ้าไม่มีพ้านี่นะแต่ถ้ามีคลราวาหรือคาี่ยหรือปุตุชนเนี่ยสมมติว่า เ, เราต้องการเจะอุที่ส่วนกุศลให้ผู้ที่ร่วงรักไปนะถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า ยอช่นเดียวกับทุตขบอกโอ้หาจ้าไม่ได้ทำยังไงก็เลยบอกคุณย้อนเงี้ยเธอสมาทานสี่แปดนะใช่ไหมย้อนคนนี้ก็ย้อนคนนี้ก็สมาทานสี่แปดตั้งใช้รักษาแบบสมบูรย้อนี่ก็มีผ้ามีของน้องดอกไม้แต่างก็เอาไปถวายแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอันนี้ก็ได้ใช่ไหมแฉะนั้นทำให้ป้าก็ถวายก้ว่าสมราิผู้มีสิแล้วก็อุทิศส่วนกุศ ใช้ได้น่ีแต่ถึงแปดแค่นสิห้าไกนเเขาขอให้ดีที่สุดก็แล้วก็นนสมาทานให้ตั้งแล้วเรา็สะคบมัอันนี้สงมนับหาข้าวไม่ได้ทำไมหาข้าวไม่ได้ม่ใช่ไม่มีข้าวคือว่านับไม่ได้มันมากยิ่งคนที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ให้ทาให้แจง้งเรืนโสดาปฏิบัติ ยังไม่ได้อี่นะแต่ว่ามีความมุงมั่นที่จะบรรุให้ไดนะ้คนประเทศเนี้ยรับเราได้คำบุญเยระก็เรบุญบุญเยอะประการที่สิบสามถวายทานแกเครือันธ์ปุญชนผู้ทุศีอันนี้คนไม่มีศีเลยอะกศีห้า่างนี่เลยว่าเนยก็ได้บุญประการสุดท้ายให้ทานแกตัทยาฉนี่สิบสี่ ฉะนั้นพระบรมศ า, าสดาตรปสถึงผลที่ได้จากการให้ทานโดยดเฉพาะเจ้าชองสิสี่อย่างเขาบอกว่าถ้าให้แกสัตว์ดิบด้านนี่นะให้ครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีอ น, น้สงห์ถึงร้อยชาติเช่นเ อ, เ, อเอาเอาเอาอาหารให้ลูกนกกินเนี่ยมือหรือปลวอยอาหารให้นกให้ปลาเนี่ยนะครั้งหนึ่งเ น, นี่ยอนิสงส์นั้นได้ร้อยชาติโอไม่ธรรมาดาใช่อันนี้เอาไม่ต้องพูดถึงคนเลยเนี่ย ถ้าให้ทานแต่ผู้พุทชนผู้ทุศีนอันนี้สองพันชาติเราก็เราเลี้ยงเลยเพราะคนทุศีนเนี่ยใช่ไหมมันมีเศษแล้วแต่เราแมายนึกสงารเนี่ยนอนตามถนนถนนทางไม่มีข้าวปลาจะกินไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยอนุเคราะห์เนี่ยได้เท่าไหร่รู้ไหมพันชาติทีนี้ถ้ากล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้บอกให้หาพาักไม่ได้เอาพุุธชนที่มีเีษเนี่ยถ้าพุุธชนที่มีเีษแล้วเราให้เนี่ย มีอ น, นิสงส์เท่าไหร่เลยไหมแสนชาติมีอนิสงส์แสนชาตินนาตถ้าให้ทานแต่นักบวช น, นอกศาสนาที่ได้โลกียาปิญญาสมาบัติมีอ น, นิสงส์แสนโกรชาติอันนี้หมายความได้คนได้ปิญญาเนี่ยได้สมาบัติึ้นนี่ยแต่นอกศาสนาถ้าให้ทานแต่บุคคลผู้เป็นเพียน เพื่อจะทําให้แก้ซึ่งโสดาปฏิผลอา น, นิสงส์เนี่ยมากมายเกินกว่าจะนับได้ว่าอนนานิสงส์เท่านั้นเท่านี้ชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่จะเป็นกล่าวถึงอา น, นิสงส์ฐานที่ให้แก่พระโซดาบัณฑิตจจนถึงให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดที่จะได้จะคานานะแต่ว่ามีผลเท่านั้นเองตอนนี้เรื่องชัดเจนแล้วว่า นักการที่เราให้โดยเจาะจงทั้ง14ประเทศปัจจุบันเนี่ยให้แกพระพุทธเจ้าเระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ยไม่ได้ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่อยู่แต่ถามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยังถวายพระพุทธเจ้าได้อยู่ไหมได้ไหรือไม่ได้ได้ก็คือถวายว่าท่านที่ว่าถวายพระพุทธเจ้า เป็นก็ผ้าบ้างเป็นของหอมบ้างเป็นอะไรต่างต่างเหล่านี้ไปสักการะไปบูชานั่นคนือว่าเราไปหวายพระพุทธเจ้าเขาบอกอธิสงเนี่ยนับไม่ได้อธิสงเนี่ยนับไม่ได้นี่เขาเรียกว่าปาติปุคคิกานอันนี้ได้เจาะจงนะทีนี้ปาการต่อไปก็คือสังฆทานสังฆทานเนี่ยมีเจ็ดอย่างหนึ่ง ถวายทานในสงสองฝ่ายคือภิกษุสง์และภิกษุณีสงอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้ประการแรกถวายก่อนมีทั้งภิกษุณีแล้วก็ภิกษุอันนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสองถวายทานในสงสองฝ่ายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอันนี้ประการที่สองประการที่สามา 3, ถวายทานในพระภิกษุสง์ ทวายทานในภิกษุณีสงฆ์ประการที่ห้าทวายทานในสงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุที่ขอมาจากภิกษุสงฆ์และภิกษุณีที่ขอมาจากภิกษุณีสงฆ์มีขอมาจากสองฝ่ายประการที่หกทวายทานแต่ภิกษุที่ขอมาจากภิกษุสงฆ์ประการที่เจ็ดก็ถวายทานแต่ภิกษุณีสงฆ์ที่ขอมาจากภิกษุณีสงฆ์อันนี้เจ็ดประการ แม้ในอนาคตจะมีโคตรภูพิกษุคือพิกษุทุสีเขาเรียกว่าโคตรภูพิสุพิษุทุศีมีผ้าเหลืองชิ้นน้อยผูกคอหรือข้อมืนทำไร่ทำนาเลี้ยงชีวิตการถวายทานแด่โคตรภูพิกษุเช่นนั้น แล้วอุทิตเป็นสังฆทานก็มีอิสองก์มากเป็นอสองไข่นับไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นะถาวคบเมตตาว่าทานที่ถวายจาดจงผู้ที่รักมีอิสองก์มากกว่าสังฆทานด้วยเหตุได้เหตุนึ่งเลยสังฆทานมีผลมากกว่าตรติปุิะริยทานเลยที่จะกล่าวเรื่องอะลักษณะนยามนี้พอพูดถึงคําว่าโคจระภูสงในนี้ โครจระผูพิสุ้เมื่อวานก็ได้ยินครัท่านหนึ่งเป็นพูดออกทางทีวีท่านพูดติงกลาที่ไปเดินะบวนกรโทงท่า น, น, นบอกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความนั้นทาใไปทําในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเป็นกองสูงไปทำที่ต่า แล้วเขาําว่าโคแต่ละภูเขาําว่าโคต่ละภูสงไม่ทราบว่าท่านเข้าใจคำว่าโคต่ะละภูสงหรือพิสูจแก่ไหนใช่ไหมถ้าโคแต่และภู พ, พิสูุเนี่ยหรือสงเนี่ยท่านหมายความว่าพิกษุในยุคที่ทําด้ขนาดนี้มีผ้าเยลือ น, น้อยค่อยคอห้อย แล้วต้องผลึปฏิบัติเหมือนชาวบ้านทุระการเลยไม่ไดยยุคนี้ยุคนี้ยังไม่ถึงเชียอว่าใกล้จะถึงเน้นนั้นเลยใช่ไหมยังไม่ถึงท่านจะปูในรัษณะไหนที่จริงเนี่ยนะถ้าถามว่าในสมัยขั้งพุทธกาลเนี่ย ตอนที่พระพุทธเจ้าสเสด็จกลับขันธปรพิพานเนี่ยถามว่าพิจูศก้าว500ลูกเนี่ยก็พากันเดินไปที่หน้าพระราชวังของพระเจ้าแคสตรูอันนั้นก็ขอความคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทํนนาน ท, ทำหรือไม่ทำใช่ไม่ทำแบบนี้คือท่านเดินไปก็ไปขอกับพระพราชเจ้าให้อุปถัมภ์ตอนนั้นจะทำาระเสมุฐธรรมใดอย่างไรรัชสมัยอย่างนั้นก็เรียกว่าทำธรรม ตามประเจเนีของอริยวงศ์ไม่ทำแบบทุกวันทุกวันขี่ทำ ไ, ทมไม่ไม่เอาเขาไม่ทําแบบรืว่ตะโกนอะไรเขาทาเขาแค่ทํำแต่ละคนไม่ใช่ได้มีนั้นดีแต่ในทักษิณาทักษินาทางที่บริสุทธิ์มีอยู่สี่ประการนะหน่งทักษินาทางที่บริสุทธิ์ฝ่ายทา ย, ยกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายสติคาหงคือผู้รับนั่นอย่างหนึ่ง ประการที่สองทักชินาทานไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกนั้นอย่างหนึ่งประการที่สามทักษินาทานไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกและไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกนั้นอย่างหนึ่งประการที่สี่ทักชิณาทานบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิคาหกนั่นอย่างหนึ่งสี่ประการเนี่ยคาว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้นั้นได้แก่ทายกคือผู้ให้เป็นผู้มีสีมีกัลยาณคร มีศีลห้ามีศีลแปดมีศีลสิบมีกิริยานธรรมมีเมตตามีกรุณาเป็นต้นเหล่านี้ีกยมียกว่ามีศีลมีกิริยาณธรรมทายกในที่นี้ก็แปลว่าผูให้คําว่าไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกได้แก่ทายกผู้ทุศีลและก็ไม่มีกิริยาณธรรมลมักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเออคนจะไปให้ทานจะไปชนทุศีลเนี้ย ไม่มีกุศลกรยาณธรรมไม่ม <st hat the rix> ีเมตตาไม่มีอรุณามรนีตาไม่ได้อะไนี่เลนะนี่ก็เรียกว่าไม่มีสีไม่มีกิริยาณธรรมคำว่าไม่ปฏิสุทธิ์ไปไม่บริสุทธิ์ไปปฏิฆาหผู้รักก็ได้แก่ปฏิฆาหงเี่ยเป็นผู้มีสีนามหรือปฏิสุทธิ์นี่ยบริสุทธิ์เนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ไปปฏิฆาหเป็นผู้มีสีงามมีกิริยามีครงาม มีปาติโมกษ์สังวรสีนิมิสสังวรสีเช่นอะไรฝ่ายคนละคําว่าไม่มีสุดฝ่าปฏิฆาหกไม่ใช่แต่ปฏิฆาหกเป็นผู้ไม่มีสีงามไม่มีธรรมจริงนะสรุปก็คือว่าทานหนึ่งทายกตกแต่งให้บริสุทธิ์ทานหนึ่งปฏิคฆาหกตกแต่งให้บริสุทธิ์ทานหนึ่งทายกทั้งปฏิฆาหกตกแต่งให้บริสุทธิ์ทานอย่างหนึ่งทั้งทายกทั้งปฏิฆาหกไม่ได้ตกแต่งให้บริสุทธิ์แต่สองตกแต่งให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้เพราะสงที่ได้ชื่อว่าทุศีไม่มีมีแต่บุคคลทุศีเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลดูที่ถวายแก่สงด้วยจิตที่เคารพยังเกรงต่อสงคุณแห่งสงย่อมตกแต่งทานนั้นให้บริสุทธิ์ได้สงในที่นี้คืออริยสง ม, มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระานาคามีพระอรหันต์ที่ประกอบด้วยคุณก้าวการ สูปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนะสามีจิตปฏิปันโนสูปฏิปันโน้ยูชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนะสามีจิตปฏิปันโนเว้นก็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอริยสุขฉะนั้นการถวายทานและสรรสอนอริยสุขสรรสมอย่างเขาเรียกว่าสมนั้นจะตบแต่งให้ทานเมื่อเริ่มบริสุทธิ์เมื่อพระนางประชาพิมพ์ก็จะมีสระพัชชนาวิษณ์กระสุนที่เด่นยอดนี่นะในด้ขยายอะไรมาก ที่พ่อปรมาจาสย์แสดงจบแล้วเนี่ยเมื่อท่านานางประชาบดีโ็ตะมีสดาทักกีนาวิพังนัสสุที่พ่อปรมาจาสด า, สด า, สดาสแสดงจบแล้วสม ส, สมณะมกินดียิ่งนะัก ทรงถือเอาผ้าคู่น้องเข้าไปถวายแด่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรก็ไม่รับคือคือถวายพระเจ้าก็เจ้าไว้แล้วใช่ไหมมีพระพิณง่ายถักจากพระพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตรสักราสาวกเบือขวาพระสารีบุตรก็ไม่รับอ้างว่าไม่สมควรเ่ย ท่านนางก็ถวายท่านพระโมคคารานะร้องเอาไว้นี่นะท่านพระโมคคารานะก็ไม่รับท่านางประชาดีจงน้อมผุ้นั้นไปถวายอสุริติมหาสาวกทั้งหมดอ่ะแต่ให้มีท่านผู้ใดรับเลยเขาเป็นบงคนก็ร้องไห้เลยใช่ั้มจนกระทั่งมาถึงอชิตตากิสุ เึ่งเป็นท่านวะกาบบวชใหม่นั่งอยู่ในอันดับสุดท้ายกินน้อมเป่าถวาย <c oughs> าท่าชิตาพิสุก็รับผ้าคู่นั้นไว้เป็นเหตุให้พ่านน้เนี่ยโภกมานาะ น, น้อยพระไทยน้ำพะเรือดไหลก็คิดบอกว่าพวกเราในบุญน้อย ใอุตส่าทําผ้าคู่นี้ด้วยมือของตอนเองตั้งใจถวายพระบรม ส, รสารดแต่พระองค์ก็ไม่ทรงรับแม้ถวายอัคร า, าสาวกทั้งสองและอสุริติหมหาสาวกอีกแปดสิบรุ่นก็ไม่มีใครรับบัดนี้พิสุทธิ์นบวชใหม่กลับได้รับผ้าของเราเมื่อพระบรมสารดาเห็นว่ามาึกขาเสียพระไทยกันนะเกรงทรงตำหนกว่า เราจะทําให้พระนางประชาบมีเกิดสมน้นในฐานนี้ดั่งนี้แล้วตรัสให้ท่านบ้านนนเป็นน้ำบาตของพระองค์ท่านท่านนนท์ได้น้ำบาตมาถวายพระองค์ทรงรับบาตแล้วทรงอธิษฐานว่าขออยากให้สาวกทั้งสวงได้บาตนี้เลยแต่ให้อธิสานพิสูจน์นี้เท่านั้นเนี่ยได้บาตนี้อธิษฐานแล้วก็โยนบาตขึ้นบนนั้นค่ะ บ, บาตก็ลอยไปในอากาศใ า, ายปั๊บตกรีบเมืเ่อ สมัยก่อนเลยคนอินเดียเยอะเนี่ยต้องระดาบพระพ้ทธการักครั้งนั้นกรากันภาษารนบทตราทามัทคลีแล้วเรากราบทูลขออนุญาตเสนหาบาทมาถวายพระทธเจ้าเมื่อจะรับพุทธานุญาตแล้วออกขึ้นไปในอากาศเที่ยวหาบาทไม่พบหาไงเขาม่พบพก็โมคคัานะใช่ไหมอินเดียอหาไม่พบสุริตรีมหาสาวกทั้งหมดล้วนเอจตักขานเนี่ย ปฏิสัมพิธาอพิญญาหกทั้งนั้นเ่ยหองหาไม่มีใะไรพบเลยไม่สามารถส่งบาตมาหาบาทมาถวายแด้ผู์บรมศาสลดาได้ด้วยเหตุนั้นเราบรมศาสลดาตัดสั่ให้อภิตัดพิสูจขึ้นไปเอาบาทมาถวายถ้าอภิตันี่นะพิสูจเนี่ยจำหลีกหูว่าตูวหน้าอาจารย์ยิงนะ พระสิสีมหาดาวเราะห์ทั้งหลายล้วนปราบพระจ่ากิเลทั้งปวงมีอนุภาพมาฉะนั้นจึงมิอาจสแสวงหาบาทของทพรมัาสดาได้ใ น, นตัวเราเรงยังมีกิเลสครอบงาอยู่แต่ทพรมัสสดา ก, กับปาบสามให้เราสแสวงหาบาปน่าจะมีเหตุอย่างไดอย่างหนึ่งใช่ไเพราะฉะนั้นเราคงต้องถื อ, อาบาปของทพรมัสสดาท้ายต า, ามที่กระประสงค์ ที่ ด, ดังนั้นแล้วก็ถวายในมนกกรรตตาพระพุทธเจ้ากร่าวพูดว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะถือว่าบาปขอพระพุทธองค์ในการบาัดนี้เมื่อพระบรมศา ส, สดาทรงอนุ ญ, ญาตแล้วอธิการภิกษุจึงได้ออกไปยืนอยู่ในที่สดของบริสัทมองไปุนอากาศแล้วก็ตั้งปีติฐานบอกว่าตัวเราเนี่ยได้ดบรรพชาในศาสนา น, นี้ ด้วยหวังปัจจัยยาลากขาหาไม่ได้และพอเลี้ยงชีพในเพศคารวะมิได้จึงบรรพชาก็ไม่ใช่ที่แท้ที่เราออกบวชบรรพชาเพราะปรารถนาตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ให้แก่ตัดสรู้ธรรมทั้งปวงอันจะลื้อตัดผนสัดให้พ้นจากห้วงมหานกสงสารคือว่าต้องการเรื่อนตัดลื้อตัดออกจากสงสารวะ อันหนึ่งศีลของเราก็ไม่ได้ขาดหรือด่าพร้อยแต่บริสุทธิ์ขอให้บาศของพระบรมสารดจงลงมาดิษฐานในมือเราดีกว่าแล้วที่เหยียดออกไปโดยทันเถิขณะนั้นนะบาศ ท, ที่ปราศจากวิญญาณเนี่ยก็ตกลงมาจากอากาศมาประดิษฐานอยู่ในมือเขาให้อจิตตพิสุกเป็นอัศจรรย์เหมือนจะบอกเหตุว่าบาศนี้ไม่ใช่บริหารของพระสาวกข้างหลัง แต่เป็นบาทของพระบรมศาสดาอั น, ป เ, อ น, น เ, เป็นเสริจแม้อัคคีตัดพิสูจนี้ก็ไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นพระปเจกาพระเจ้าแต่จะตัดสรู้นนเป็นพระตัดพันโยพระเจ้าในนาคตเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมาสู่มือของอัคิีตัเหมือนดุจมาบอกเหตุที่ทราบในลักษณะอย่างนี้พระนางมณีชาบดีโคตมีนี้ท้าพเนตรเห็นความอัศาจรรย์แล้วก็ปีติสงบนั้นเป็นกําลัง นะก็ทรงตำหนิว่าอันว่าพระสงฆ์สาวกนี้มีคุณยิ่งเป็นอัศจรรย์แม้สงนวะกะก็ยังมีคุณพิเศษถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นวัตถุทานคือผ้าปูนี้ของเราก็ดีชื่อว่าบูชาพรบรมศาสดาเหมือนกันแล้วก็ทรงประนมหัตนรัส ก, กาและบันลัยครับชื่อมใจแล้วเจนนี้ชื่อมใจ ถ้าให้เห็นแบบนี้เสียใจจรินะถ้คนเรา เ, น, มมเนี่ยสมมติไหนว่าเราเอาของไปถวายสง่งพอท่านรับไปเสร็จแล้วท่านโยนโยก็วางใสใจเสียคื <laughs> ่เรารับแรกเรียบร้อยแล้วก็ว่างทิ้งกันหน้าตาในห้องแต่แค่ครั้งเดียวเลยที่จริง ภาริสงมันเกิดแล้วภาริษสงเกิดพลาริษสงมันเกิดแล้วเนี่ยผ้าที่ตากที่สูงเมืเ่อรับงผ้าผู้นั้นมาแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรแต่ตัวเราด้วยผ้าอุดมนี้จะติดกายมีโทษคือชราปยานิบวรนเป็นธรรมดาก็หาควรมากคนที่เราจะน้อมผ้าผู้นี้เป็นน้อมไปถวายพระบูชาพระอุปสมบทกันเพราเหตุที่พระ อ, องค์ทรงมีข้ามากหาสิ่งประเสริฐที่ได้คือประเสริฐได้คุณนะ ศีลคุณสมาที่คุณปัญญายคุณมิมุติคุณมิมุติยานะครับท่านคุณควรที่เราจะได้สักการะบูชาด้วยผ้าอัุดรเมื่อตั้งชุดดังนี้แล้วก็ถือผ้ากุญธนั้นไปถวายเข้าไปคาบพีดานเน่ะตั้งเบื้องบนพระคันธกุณีของพระพุทธองค์อีกผืนหนึ่งก็ฉีกออกเป็นสี่ท่อนผูกเป็นม่านห้อยในสี่มุมพี ด, พดานนะตั้งความปรารถนาเป็นวาจาว่า การบูชาด้วยผ้าของอาตมานี้เป็นที่เจริญใจยังจิตของอาตมาให้ยินดียิด่ด้วยอานสิสงส์แห่การบูชานี้อาตมาจะมีความปรารถนาด้วยสิ่งใดอื่นหาไม่ได้อันว่าโลกสาิบารนี้ย่อมยินดีโดยราคะโทสะความประทุษร้ายและความรุ่มหลงด้วยโมหะถึงสึ่งสัญญาวิปลาสมีนิวรณธรรมปกปิดจิ ต, ตสัญญาในจมอยู่ในกามาคุณว่าฉันผูกพันอยู่ด้วยกิเลส จออยู่ในหาสมุดกลก่าคือตรหนาร้อยแปเนี่ยดุดหมูเต่าปลาเป็นอาหารของกันและกันผู้ไปตามชาติธราพยาธิมรณะปราจากที่พุ้ธิที่ทำนักแม้ทั้นก็มีศัพท์ใหญ่เช่นท้ามหมากรมเนี่ยก็มิอาจจะรื้อขับขนสัตว์กับสมุทรสาครอยู่สงสารหน้าอาตมานี้ปราถนาบำเพ็ญบารมีสามสิทธะเพื่อสัพพัญญุตยานเพื่อลื้อขัดขนสัตว์ให้ข้นจัก สงสารสัพพุไทยในนาคเดินก้าวเข้าไปสู่สำนักของพระทศกุลพระพุทธเจ้าทำปนิญาฐานดังนั้นแล้วจะเอาพระพักตร์รมากูผู้สุเทตอยู่เหนือพุทธาคือตั้งจิปราถนาต่อพระพักของพุทธเจ้าเลยพระพุทธองค์พ่อพระแม่เห็นอธิษฎพิสูจก็แย้มพระโอรสยิ้มเลยนะเธอลักษาออของการแย้มพระโอรสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเธอพาอาหารให้ท่านยิ้ม ท่แย้มยิ้มตานอยู่พวกเรานีถ้าปุถุชนเนี่ยหัวราะตันตัเนี่ยถ้าเรื่องอะไรขำๆก็หัวลอ้อตันตันท่าทางไม่มีถ้าใครยังหัวเรายัตัวมอเนี่ยถ้าบอกไปพระอรหันต์นี่ไม่ใช่แล้วทาทางไม่มี่มีแย้มอย่างพุทธเจ้ยาแย้มนิดเดียวเแ ย, ย้มพระโอดสทรงพยากรณ์ทำนายดูก่อนนอัน อ, นอน่าณชิกาภิกษุซึ่งเป็นนาวากาภิกษุเนี่ย ไงนาเขจะได้จัตตรู้เป็นพระพุทธเจ้าพวนาวเมตยานเณนะคตในวาระต่ำด้วยอธิสงแห่งวัตถุบูชาคือการบูชาด้วยผ้าเกียรติฐานคตด้วยจิตที่สมนัติเด น, นดูก่อ น, นอานน์การเมื่อศาสนาต้องถดเขาจะกรานาษาาาาาแล้วมันเกิดสัจธรรระกับเมื่อสัจธรรจาระกับร่วงไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุจเจริญเป็นตามลาดับจนมื่อสงไขที ย่ำนรตลงจนเหลือแปดในปีครั้งนั้นเมืองพาราณสีจะเปลี่ยนชื่อเป็นเตตุมารีเป็นที่เกษตรสมโมสรราประเทศละกอนในครั้งนั้นพระเจ้าสารจักบ ร, รมจัตถภักดของราชเตตุ ม, มดีนั้นพระองค์ทรงมีปุโรหิตชื่อสุธรรมาภามทำหน้าที่สั่งสอนอัคคธรรมพระโพธิสัตว์แม่สยะเกิดเป็นบุตรของปโรหิตกับนางธรรมวดี เมื่อเกิดมาแล้วได้รับความสุขทุก ป, ประการในประสาทสามหลังพระโพธิสัตว์มีปริยาชื่อนางจันทกมุนีพระเจ้าบอกไว้หมดเลยนะเนี่ยที่เราเห็นพุทธประวัติในนาคตได้ประวัติของพุทธเจ้าของคารวะแปดพันปีอายุแปดหมื่นนี้นะบอกอยู่เป็นคารวะแปดพันปีได้เห็นมีมิทัาสี เห็นคนเกิดคนแก่คนตายและเห็นหน้าบุตรขั้งนั้นนางจันทับุคขีข้อบุตรชื่อทรร ม, มวัฒนานุมารจึงออกเป็นประชาพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากเพ ร, ะราะพอที่ติ์บังเกิดเพียงหยู่เจ็ดวันไม่มากเลยในวันที่แปดได้สวยข้าวมาท้งป้ายาตของนางสุนันทาธรรมนี แล้วสเสด็จไปพกักกลางวันในป่าไม้สารังเวลาเย็นก็รับผ้าตึกเข้าไปรับหญ้าแตกกับเือจากโสธิยาานแล้วก็ไปสู่ไม้หม า, หมาโพคือไม้กาจระทิงคือต้นโพนั่นแหละแต่ยุกก่อนยุคแน่นาคพรเขาจะเรียกไม้กาจระทิงเขาไม่เรียกไม้โพทรงอธิฐาลับนภาบัลลังก์สูงสิบห้ สถพ์อยู่บนรัตนบัลลังก์นั้นพิจารณาปฏิยาการได้บรรลุสัพพยุตญาณเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าในเวลาลุกนรุนของราตรีนั้นพร้อมกับความอหิจจันทั้งปวงทรงเปล่งปฐมพระทานทักษันหาประกอบด้วยอนเออนกคาถาดิสังสารังเป็นต้นตามเยี่ยมอย่างพระพุทธเจา้าทั้งปวงเนี่ยอันนี้พระเจ้าจะเล่าอดีตให้ฟังว่าเออเ น, นี่ยก็คือว่า พระพุทธยากรก็พยากรณ์นะพระเจ้าของเราองคนี้ออกพยากรเราให้กระถ้านอนเราพร้อมดิพิสุสงบอกว่าเนี่ยอาทิตาพิโูนเนี่ยต่อไปได้ตัดรบ้เลยได้ครับดิฉันทีอนทสองเหตการถวายผ้าสองผืนเนี่ยที่นางใบชาบดีมาถวายแท้ที่จริงอธิสงที่ทํามาก่อนหน้านั้นมากแล้วปราถนามาอย่างมากแล้วแล้วก็ได้เคยรับพระพุทธยา ก, กรมาแล้ว น, นี้ยก็ได้รับจากองค์นี้ได้รับพระพุทธเจ้าก็รู้จักพระพุทธเจ้าด้วยกันอย่างนี้ค่ะท้ายว่าุทธเจ้าองค์นี้ท่านมาล้วท่นจแล้วก็ผู้เจ้าองค์ต่อไปที่ศาสนาต้นตัดหรือสัต์ก็อย่างพวกเราก็จาสนาเป็นสาวกท่นรู้จะทานองค์ไหน ก็ยาวเลย้ถ้ากจะ่ก็ไม่เปลนก็เป็นอยู่จาต่อไปก็จะยาวเลียว่ก็คือจริงๆแล้วก็ถ้าถามบอกว่าโลกนี้ก็เหมือนกับเกิดใหม่ก็เหมือนกับเกิดใหม่แล้วมันคือวิบัติใจไม่รู้ทำอะไรแลวจนมนุษย์จะยุดเด่เหยเหลือสิบปีจนมนุษย์จะหมดอยู่แล้วนนะอวนนะไร ต่อมาก็เริ่มมาเป็นความดีกันใหม่ยุคก็เริเเ่มเจริญเจริญก็มารักษาโรกกันใหม่โรคแบบนี้ก็ถูกรักษาในสุดจริงมนุษย์จะเลยหนะ้าประมาทกันอีกแล้วต่อมาก็อพออายุล้นล้นลงเรียนประมาณแปดมือที่ยุคนะั้นประเจ้าธิปไตยมาอุบัติเกิดขึ้นยุคนะั้นหลังจากหมดยุคของพระชาธิปไตยก็พรูพระเจ้าเขา อ, อุบัติธรมจักรวรรดแล้วก็จะเสื่อมลงเสืๆๆๆๆๆๆ่อมลงแต่นี้หมดแล้วกันเนี้ยจะเนี้ แต่ที่หมดจริงๆ้วรอบใบนี้ชบพูนวนทวีปไม่เหลือแล้วก็ย้ายย้ายที่อยู่กันใหม่พอแล้นวนจะบุนอไ้ง <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องราวของพระเมตยาบริสัท์ในสมัยที่เป็นอันที่จับพิสูก็์พรพประเดษพ ร, ระพุทธเจ้าที่ในนรัีปีพระธรรมสัมโพธิ ที่นี่ในคำทีมหาวงศ์ในประเทศที่สามสิบสองและคำทีสันคีติในวงปริเทศที่สามเขากล่าวบอกว่าพระเจ้ากากาวันณาจรริตสาพระราชบิดาของพระเจ้าพุทธคามเนียภัยก็คือพระเจ้าทุทตคามเนียภัยเป็นพุทธบิดาของพระเมตยาโคโกรเจ้าพระนางวิหารนาเจวีพระราชมารดาของพระเจ้า พุทธคามินียไทยจะเป็นพุทธมันเดอฉะนั้นพระเจ้าพุทธคามเนียไทยจะเป็นพระผู้ประทมสาวกเ um. พ, พ, พ, พ, พ, พ, พ, พ, พื่ออัครสาวกบุ้นฝาพระเจ้าสัพทากิตะพระราชานุชาของพระเจ้าพุทธคาเมเนียไทยก็เป็นทุติยะสาวกอันนี้เป็นอัครสาวกบึ้งซ่าพรานางอนุราเทวีอันนี้เป็นพระพระพระพิตรฉาเป็นอาของพระเจ้าพุทธคามเนียไทยอันนี้เป็นพระมายสี พระษาลีราชกุมารราชโอรสของพระเจ้าพุทธคามีาภายัยจะเป็นพุทธโอรสสังทักอมมาตผู้เป็นนายพระคันอันนี้เป็นอักระอุปถาพิดาของสางทักอมมาตจะเป็นอักระอุปถาอีกคทั้งหมดนี้เป็นผู้มีอธิการคือกุศลอย่ยิ่งในการตั้งสมบัตมีนั่นจักได้มาเกิดเป็นบุคคลสําคัญในาศาสนาของ พระเมตตาาของพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ก็ต้องศึกษาที่ศึกษาตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ควรตา้งวาเข้าใจอีกอย่างก็คือว่าประเด็นสาคัญก็อยู่ตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ในการที่ท่านสร้างเกี่ยวกับในเรื่องของบารมีเนี่ยทั้นในเรื่องของบา ร, ร, ร, ร, รมีต่างๆที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยบํำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยเนี่ถ้าดูจากคําสอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่บอกว่าเกี่ยวกันในเรื่องลักษณะการปรารถนาในการที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ย การสั่งสมการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าถามบอกว่าคุณของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหาประมาณไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็อยู่ที่ว่าเหตปัจจัยที่ท่านสั่งสมหาในดีกามาลายยาสุมีกล่าวไว้มังนยบอกว่าครั้งเมื่อพระมาลายอ่ะเทวเกละ เป็นพาหารได้ที่ฐานจิตลอยไปบูชาจุลามณีบรมธาทของพระพุทธเจ้าในดาวาดิก็ได้พบกับพระเถระเมตใจเทพบุตรผู้เป็นพระโพธิธสัต์เสด็จลงมาจากดุสิต้นคือพระมาลัยเนี่ยท่านขึ้นไปไหว้รพระเกศก้อจุลามณีแล้วก็ขึ้นไปในเบญเกศพระโพธิสัต์ ไปเจอพระเมตยาพระพุทธเจ้าท่านก็ลงมาว่า้พระธาตุเมื่อเพื่อบูชาจุลามณีเนี่ยที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระพันตระธาตุข้าขงขวาคือพระเคียวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าพร้อแม่น้ำเทพอักษรบริวารปิาญวนมากเทพประบุได้นในมัตรการก็เถิดแล้วตอถามว่าพระคุณเจ้ามาจากที่ใด ทรงทราบพระมานจากเจมูดวีก็ตรัถามว่ามาได้อย่างไรแล้วเขาตอบมาด้วยการอาธิษฐามอีกที่ที่เรียกยาจิตในการสนทนาในครั้งนั้นตอนหนึ่งพระมาลัยก็เล่าบอกว่าเล่าเทพบุตรโพธิสัตว์ฟังบอกว่าหญิ้งช า, ายในสมัยเนี้ยเมื่อทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงตัก บ, บาทด้วยข้าวทัพพีเดียวแม้พิจูดสงหรือถวายดอกไม้กลอหอมบูชาพรได้กนแนใจ ก็กลั่งจิตปตปนาที่จะพบพบพระพุทธเจ้าพระองค์าต่อไปคือพระเมธยญาพระพุเจ้าจึงอยากจะทราบว่าพระปรางค์ืเตควรจะทำบุญกุศลอันใดจึงจะได้พบพระองค์ในการเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วพระนิสัตถ์ก็บอกว่าบุาคคลใดตกแต่งเครื่องประคารบูชา คือประเทียน้ำมันพันหนึ่งดอกสามหาวดอกสามหาวท้านรอได้แกนดอกผักตบพันหนึ่งดอกอัญชัน1ีพันหนึ่งดอกคูอีกพันหนึ่งผงผ้าพันหนึ่งฉับติ1พันหนึ่งธงตะขาบพันหนึ่งแม้เครื่องไถยทานอื่นๆมีขนมกล้วยอ้อยเป็นต้นอย่างละพันเนี่ยนะ เหมือนกันนำบูชาสกาละบัติมาเทศนาในเวสันดรชาตกแล้วนั่งสดับฟังมหาเวสันดรชาตกให้จบสิบสามกันในวันเดียวผู้นั้นจะได้สำเร็จเป็นพระหลานพร้อมด้วยกติสัมพิทายาเจ้าพระภากของพระเมตายะพระพุทธเจ้าในอนาคตโอ้โคนนะ่ะตรงเนี้ยคนกะทาใ่ายสมัยก่อน อาจารย์เลี้ยงก็ใส่กรยาะเมี่ยก็ไป ท, ไปทำอะไรก็ทานาเรื่องสมัยเด็กๆไปรับการเทศเรเนนื่องเขาไป น, นั่งฟังัเทศเวหรือนอกชาตบอกรู้เรื่องร้งไม่รู้เืองวะนเป็นมารีกาดีกางั้งจากเทศกำหลัดเนี่ยใครก็ตามที่ปรารถนาจะพบพระพุทธเจ้าคือพระเมตยะแพระพุทธเจ้า จึงต้องมีศรัทธาและวิริยะอุตสาหะแรงกล้าในอันที่เจริญสำหรับทำเวทชนนอนจ่าตกโดยรโกรลให้จบไปสามการในวันเดียวพร้อมทั้งถวายเครื่องไตรยทานบูชาทำอย่างละพันเท่าจํานวนคาถาคือมีคาถาอยู่พันคาถาส่วนผู้ที่ไม่มีโอกาสได้พกศาสนาพระเมตยักษ์พระพุทธเจ้านั้นพระเมตยักษโพธิสัตว์ตรัสว่าได้แก่คนที่ตีเตียงมาเรียกนการ คนที่ประทุษร้ายที่สุดนี้ให้ขาดแต่ศีรษะบทคนประทุษร้ายตระกูลคนทําสัมภเวสีเก่าเวเพกอนนทฏิกกรรมคนทําอันตรายคนไปทําลายพระเจดีย์ที่บรรจุพระรูธาตุบุคคลนี้จะไม่เกิดในอเวจีจะไม่ทันหรือคนไปนตัดต้นสีมหาโองคนฆ่าพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธภยากรคนลักคนชอบโกงของสง และคนที่ประกอบไปด้วยนี้มัฉริยามีความตันีคนที่ประมามัวเมาในการมกุณบุคคลประเภทนี้จะไม่ได้พบพระเนยกายพระพุทธเจ้าต่ตนนี้ก็อ่านกล่าวไว้ในดีกาก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องนามาศึกษารายละเอียดแล้วก็ไปพิจารณากันปราวนาจะเจะาอพระอริไยไมตไตร ต่อที่เป็นอย่างนี้นะทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของคำสอนดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะว่าในการที่พระโพธิสัต์ทั้งหลายเนี่ยเ้าบอกว่าเมื่อพระ เมื่อสมเด็จพระเนจรกระดมโพธิสัญญาตว์ตเจ้าได้บำเพ็ญบารมีจนท่วนบริบูรณ์ครบท่วนตามกาหนดแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสามประเภทจนที่ได้กล่าวก็มีปัญญาทิฏกะสัทธาทิกะและ้วก็วิริยทิฏกถ้าหาว่าปัญญาทิฏกก็เสื่อยสงไขแสนกับสัทธาทิฏกก็แตกสงไขแสนกับวิริยาทิฏกก็สิบหกสงไขแสนกับทั้งสามประเภทเนี่ย ถึงการสำคัญที่สุดคือถึงวาระที่จักแสดงอุบัติตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปราศจกนาทั้นนั้นหากถามบอกว่าเพราะเหตุไรเนียตาอพระโพธิสัตว์จึงจำพาะเจาะจงอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าแต่เฉพาะในมนุษย์โลกนี้ถ้าถามว่าไม่ทำไมไปอุบัติในโลกอื่นๆเช่นในสวรรค์นในเทวโลก ไ, ได้หรือไม่ ใช่ไการตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเออทำไมต้องเฉพาะจอดโวมวัดตรัสสรุในชมพูนวีทาไมไม่ไปตรัสสรู้ในบนสวรรค์หรือทีอื่นท่านบอกว่าการที่นิยตารุโภติศสตไม่ได้ไปตรัสเป็นพุทธเจ้าบนสวรรค์เป็นต้นเหรเนี่ยเพราะเหตุว่าเทวโลกเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตั้งของสาวชนะธงมจนันที่จะเป็นสาวชนะธงมจันและการาบ า, าประชารัตสมบู ย่อมเหมาะสมที่จะมีอยู่ในมนุษมนุษย์นี้เท่านั้นจะมีในสวรรค์เทวโลกไหมเช่นการบวชเนี่ยเทวดาเขาไม่มีใช่อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบังเกิดเป็นเทวถ้าไปเกิดเป็นเทวดาทรงสแสดงพุทธานุภา พ, พประกอบไปด้วยอิทธิฤทิ์มีประการต่งางๆมนุษย์ทั้งหลายผู้มักเป็นคนช่างความคิดก็จะไม่เชื่ออิทานุภาพ มักให้ความคิดเห็นไปตามความโง่ของตนว่าการที่พระ อ, องค์แสดงนี้ต่างๆได้นั้นเฉพาะพุทธองค์ท่านทรงเป็นตัวลซึ่งประกอบไปด้วยเทวานุภาพเป็ น, นมากฉะนั้นหากจะทรงอางว่าเป็นพระพุทธานุภาพก็มีเรวเทวานุภาพเทือยวปนอยู่นี้หากพระ อ, องค์เป็นมนุษย์แล้วไหนเลยจะทรงแสดงพุทธานุภาพนเชี่ยวชาญในระเบ็ยบอิทธิฤทธิ์ดำที่เด่นนะ คือจะทําให้คนความคิด ข, ของคนไม่ค่อยเกิดนีนีๆเป็นหนึ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อุบาสเกิดขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวว่าในการสร้างบา ร, รมีดังที่ได้กล่าวก็คือว่าทานที่จริงท่านเรียกพุทธกาละกฐธรรมนะบา ร, รมีสิทิ์ท่านเรียกว่าพุทธกาละกฐธรรมเขาแปลว่าธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้า คือธรรมพิเศษที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหากปราภะจารธรรมพิเศษหมวดนี้หรือธรรมพิเศษหมวดนี้ยังไม่ถึงภาวะสมบูรณ์เต็มที่ในขันธ์สันดานพระโคดจิตสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสได้สัตว์รู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าจะเรียกันให้เต็มต้องเรียกว่าทานนะพุทธการะกฐธรรมสีลพุทธการะกฐธรรมเลขาพุทธการะกฐธรรมปัญญาพุทธการะกฐธรรม วิริยะพุทธการละกตธรรขันติพุทธการละกตธรรมปัจจักพุทธการละกตธรรมอธิษฐานนะพุทธการละกธรรมเมตตาพุทธการละกตธรรมและอเมตตาพุทธการละกธรรมเขาเรียกว่าพุทธการละกตธรรมสิบประกา ร, การพระบรมโพธิสัตว์ทั้งปวงเนี่ยยินดีในการมาเป็นทานเมงนี้ไม่ว่าจะสถิตหรือเกิดในชาติไหนเนี่ยนะจะสวรรษษยพระชาติเป็นอะไรทุกๆพระชาติเนี่ยนะ ย่อมมีน้ำพระทัย ไ, ไข่เดือบริ ย, ยาเมื่อได้ประสบพ่อ่านยาจบซึ่งเป็นคนเขาบอกว่าจะเป็นระดับมีฐานะร่ำเร็วตามหรือมีฐานะปานกลางหรือมีฐานะสงสุดรเขาเรียกว่าจะเป็นระดับหนีนาชาติมัชชีมชาติหรือว่าอุปริมาชาติใช่ไหมหรืออุกติคําว่าเมื่อ คนระดับนี่นะจะเป็นระดับคนชั้นต่าําชั้นกลางหรือชั้นสูงสุดถ้าได้เอ่ยปากขอต่อพระบริษัทเมื่อขอแล้วพรบริษัทเจ้าจัดคิดหน้าพระองหลังอ่ะไม่มีไมให้มีหรือไม่ฟังคิดกับว่าบริษัท จ, จักงงนะไม่เดไดอย่างไนงะย่อมรีบเร่งจําแนกทซักให้เป็นทางตามความต้องการของผู้ขอด้วยความดีดีด้วยความเต็มใจอย่างนี้ สิ่งไรที่ตนมีแล้วเป็นต้องให้ทั้งนั้นทวินหวังแต่การที่จะบริจากทานเป็นเรื่องนะอันนี้ประาหนึ่งแล้วบอกว่าเดยว่าแต่พักภายนอกแม้แต่อวัยวะเลือเนื้ อ, ลอและชีวิตหากใครคิดปรานาอยากจะได้มาเอ่ยปากขอพระบริกาคให้เลยทีเพราะพวกไม่ถึงตรงนี้จะไรเล ย, เลย ทำให้ไปคิดถึงอตอนนั้นที่ไป้ผ่าตัดนึกถึงนึกถึงพาน้องชายเออเอาจารย์กนถามก็บอกว่าพี่ทำไมกล้าใช่ออชาะนี้ตัดตวาย่ะให้ให้าการนีนมน่มันมันเป็นขอยงยากนะถามไม่กลัวเลยไม่กล้าถอมเลยเราไม่กลัวเลยเราไม่กลัวชับ แล้วบอกว่าอันนั้นอิจต่างก็ระขามกันถามบอกว่าเออถ้าเอาใจไปให้ผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยมีชีวิตเกิดไม่รอดใช่ไหมเกิดไม่รอดขึ้นมาท่านไเสียดายเพราามใจถ้าบอกว่า มีชีวิตอยู่วันเดียวว่าภพุมใหญคือถ้าให้โดยพุเนี่ยอยู่ได้วันเดียวกเข้อบมใหญ่หมอก็เลยสาวเลสิไม่ไป่รู้สิมันคนจิตใจจะให้อย่างนี้ได้เนี่ยใจเขาต้องคิดตายเยอะไงใจต้องคิดเดยอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเพราอยางเป็นเราหลายๆคนเดียว ก็ก yeah ็ค so ุยก anyway. ็ถามวันก่อนที่ไปเยี่ยมตอนนั้นที่ก็ไปตรวจแล้วก็เป็นชีดสีเลยก็เลยถาม ท er re ี่ถามไม่ได้ถามถามก็เลบอกเฮ้ยเปลี CO, nope, ่ยนใจดีกว่าไปถามเองมันมันเจยบมันทรมานแน่เลยคันแล้วก็ออกมาทำงานลับไม่ได้ทำงานต้องไปอะไรใจก็ถึงใจก็ถึงต้องยอมแล้วจนหมอนี่ยเขาบอกเลยไง หมอก็บอกว่าพี่น้องท่านแตกมากเลยแตกทีทุกคนเสนอกันเจาะหมดเลยเนี่ยเสนอได้ใครเอาคนนั้นดีนโอ้โหว่าที่จริงก็เป็นบุญเป็นบุญนะถ้าดีสังเกตดูนี่ตัวชีวิตเขาไม่ตกต่าถ้าเรีดายสังเกตดู บุองพูนแค่เขาทำมันมันอนันดิษส์มันส่งปฏิบัติภพเลยมัแปลกมากฉะนั้นคือถ้าระดับใจของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยอวัยวะเลือดเนื้อหาใครที่ปาบหนาจะได้มาแล้วเลยปากขอยพ ร, พระองค์ไมจะเลยอย่างนี้โด้วยว่าพระโพธิสัตว์เจ้ า, าทั้งหลายเนี่ยจะมีน้ำไมไทเนี่ยประดุกตุงใหญ่เต็มเปลี่ยนเลยนะ ที่ถูกบุคคลมาจับเท้าคว่ำทำให้ปากตุ่มความลงกับพื้นก้นตุ่มปรากฏอยู่ในเบื้องบนอย่างละอย่างนี้เลยน้ําภายในตุ่มจะเหลืออยู่แม้แต่น้อยไม่มีเลยน้ําใจของพ่อโพธิสัตว์ก็เช่นนั้นคือเหมือนกับตุ่มน้ําที่คว่าอ่ะยินดีในการเลยจาคแบบไม่มีเหลืออันนี้คือใจของพ่อโพธิสัตว์ที่ท่าน เป็นไหในเมื่อยาเจาะผู้มาขอไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกหรือวัตถุภายในคือเลือดเนื้อตลอดถึงชีวิตเนี่ยอันนี้ท่านใหนด้ดะอันนี้คือประการแรกอั น, นันดานของสีและธานะพุทธการและกรัประการต่อไปก็คือสีและพุทธกาลนะครับเพราะโพธิพสัตว์หมายรักษาศีลสมาทานสีเนี่ยผูกใจมั่นคงในสีเป็นอาจินาวะ อุตสาหะเพระเมื่อปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยยังศีลแน่นบริสุทธิ์อยู่เสมอระยะเวลาทุกๆุกชาติที่เกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นชาติไหนเนี่ยสวยเป็นพระชาติเป็นอะไรก็ดังโดยจะสาทางมั่นคงไม่ให้ศีลของตนเนี่ยบกพร่องบางครั้งเสียสละชีวิตรักษาศีลก็ยอมเพียรพร้อไมไปด้น้ําใจในการรักษาศีลท่านนี้อ่านนี้เห็นได้เดยอะ แะ่นั้นในกรณีที่พระโพธิสัตว์มีน้ำใจในการรักษาศีลท่านอุปมาเหมือนจามรีซึ่งมีน้ำใจรักคนหาถ้าหากวิ่งไปที่ไหนแล้วเนี่ยคนหาไม่ติดอยู่เนี่ยไม่ยอมยอมตายแต่ไม่ยอมเสียเสียสนทรนะในลักษณะของจามรีเนี่ยพระบรมโพธิสัตเจ้าก็เช่นกัน อุตสาหาพยายามรักษาศีลสมาทานศีลมีใจรักในศีลโดยการเตียบด้วยเจมารีรักษาคนหาอันนี้ประการที่สองประการที่สามเมื่อเนคขมมะพุทธการักฐธรรมน้ำใจของพระโพณิสัพเนี่ย ด, ดีในบ ร, รมปชาคือออกจากคารวะนิสัยคือการอยู่รองเรือนคือการออกบวชออกจากกามเห็นไหม โดยมากก็เป็นนักพนตประพฤติพรหมาจรรย์บางครั้งเมื่อโลกเรานี่ว่างจากพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นนี่นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนะี่ยจะออกบวชเป็นโยคีโยคีหรือเป็นมือสีหรือเป็นดาวบดบงเพ็ญพรตบ่มบรารมีถ้าถึงคราวที่พระพุทธศาสนาปรากฏในโลกพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย จะเลื่อมสายในพร ะ, าะราชนาฏยแล้วก็จะอุปสมบทเป็นภิก ษ, ใษุในบ้านทาวน์ที่ไหนของพระพุทธเจ้าในพระองค์นี่ย น, นะอันนี้จะเป็นแบบนี้ยถ้าเกิดมาในยุคในสมัยที่ ม, มีพุทธศาสนาก็จะบวชถ้าไม่มีก็บวชเป็นฤาษีเป็นโยคีมันก็เป็นลักษาไหนด้วยใจ น, น้องบรรดาชาทําไมท่านเห็นอย่างนั้นท่านบอกว่าท่านเห็นพบทุก พ, พบเนี่ยประตูจมไฟไม่รู้เลย คือการออกบวชเพื่อสั่งสมในค k a บารมีเนี่ยให้พินโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกชาติน้ําใจยินดีในภาวะที่ออกจากทุกข์ในสังสารวัฏคณะตึงตั้งใจสมาทานถือมั่นในเนก karma ในการออกบวชหินเงื้งในกิริยาที่พระโพธิสัตวเนี่ยตั้งจิตปรารถนาที่จะออกจากทุกทุกภัยในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจํานี่เหม ธรรมดานักโทษเนี่ยที่แบบเพื่อโทาจริตมีความผิดเนี่ยติดคุกติดตารางเนี่ยนะทนทุกข์ทนทรม า, านเนี่ยได้รับความรําคาญขุนข้องหมองใจนักนก่อนนะใจของนักโทษทั้งหลายศาสนาเี่ยทำยังไงจะออกไอ้พ้นจากเรือนจําที่ตนต้องติดคุกอยู่พระโพธิสัตว์ก็อย่างนะ้มีจิตตั้งมั่นในการที่จะออกจากคุกออกจากตารางคือไตรภพเนี่ยคือการมาครอบตัอครอบอารมณ์ ถ้าเห็นพเน่เหมือนคุกไมอยาคําคว่ารอท่ า, ปปาเนี่ยก็เหมือนจะคุกแปว่าคุกอะนี้ก็แปลว่ากนี่รท่านที่ั้นก็แปลว่าคนจะคุกฉะนั้นเลขคำม้าเนี่ยนะอยู่ในใจของท่านตลอดเพราะท่านเห็นโทษของสังสารวัฏอยู่ตลอดกาลนานเหมือนจะ น, น่าโทษไม่ปรารถนาที่จะติดคุกตลอดชีวิต คนก็กลัวแล้วพวกเรื่คุ้เนี่ยไม่อยากมาเลยไม่อยากจะมานี่คือเกี่ยวกันในเรื่องของนมฆคำมะประการที่สี่ก็คือปัญญาพุทธการะราธรรมพระบ ร, รมโพธิสัตว์นี่น ะ, ะแสวงหาวิชาความรู้เป็นบอกเกิดเห็นปัญญาอยู่เรื่องนี้ฉะนั้นมันอบรมจิตประกอบเป็นปัญญาเสมอทั้งเพื่อเพราะว่าปัญญาเป็นธรรมที่สูงสุด ปาสนาพุธภูมินี่ศาสนาเป็นพุทธเจ้าฉะนั้นท่านก็ขนขวายอุตสาหาพยายามสั่งสมบา ร, รมีทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยตั้งใจสมาทานสัญญาบา ร, รมีมั่นเสพคบสมาคมผู้รู้ผู้เป็นนักปราชยย่อมไม่เลือกเลยว่าท่านผู้นั้นเป็นใครขอมีความรู้นี่เนี่ยฉะนั้นก็าเป็นมีความรู้แล้วท่านก็จะยินดีสมามคมคบค้าสมาคมด้วย พร้อมท้งเอาใจใส่ใส่ถามถึงอัคธรรมเหตุการณ์ด้วยมีน้ำจิตน้ำใจไม่รู้จักอิ่มในวิทยาการทั้งวงเลยเใจของพวกบริสัทธ์เนี่ยไปเรียนมากฉะนั้นเราบริสัท์แสวงหาความรู้เนี่ยเป็นการสั่งสมปริยาเนี่ยท่านอุปมาว่าบรรดาภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เฝ้าประพฤติอริยวงคือเที่ยววิน า, าเป็นว ไม่เลือกกะลีแล้วไม่เลือกสกุลต่ำปันกลางเที่ยววินทบาทเลื่อยไปสุดแต่ว่าใครจะนำอาหารมาใส่ลงในบาทถ้ายินดีรับไม่เรื่อมนะไม่ว่ายาจบแต่ฐีคนดีอะไรต่อกันแล้วแต่เนี่ยฉะนั้นความประสมของพระโพธิสัตว์ก็เหมือนเน่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเนี่ย มีความรู้เนะยไม่ว่าท่านคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนนี้ถ้ามีวิทยาการมีความรู้นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จัดเข้าไปหาเพื่ออบรมบา ร, รมีต่างๆอันนี้คือจิตของพระโพธิสัตว์เป็นตรงนี้เรามองดูก็เรือนไปไปศึกษาไปเรียนประการที่ห้าคือวิริยะบา ร, รมีพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้เพิ่มพูนวิริยะคือความเพียรเป็นอย่างที่ มีน้ำใจอาถารในการที่จะประกอบกุศลกรรมนะอย่างไม่ลดละฉะนั้นเรา่องของความเพียรเนี่ยที่บอกอย่างไม่ลดละเนี่ยเท่ว่าอุตสาหะมีการอุปบาสธรมเป็นรดมีการไม่จมน ง, งเป็นปฏิปทาามีวัตถุเกา่าเป็นการตาโรคตาเพียรความสังเวชเป็นต้นเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นความเพียรเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่จะทําได้งา่าย ที่ต้องอาศัยความเพียรนันยิ่งใหญ่จึงจะสําเร็จฉะนั้นพระโพธิสัตว์แข็จริงอุตสาหะเพียรพยายามเพิ่มบุญวิริยะทุกๆชาตไม่ว่าจะเกิดชาติไหนตั้งใจสมาทานมั่นในวิริยะธรรมเป็นประการและร่ำรวนฉะนั้นเพียรประกอบไม่ถอยไม่ท้อถอยในาการก่อของดุสิตบางครั้งนี่ยตายไหมนะก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่คายความเพียรเขาเรียกว่า ไม่ไม่ทอ้อต่ออุปสรรคและอันตรายทั้งหลายที่จะมาเกิดท่านพระโพธิสัตว์มีน้ำใจประกอบด้วยความเพียรที่ยิ่งใหญ่เพื่อในตรัสเป็นพราพุทธเจ้าเนี่ยท่านอุปมาบอกว่าพยาไกสอนราชสีเนี่ยเคิมลิกมากถ้ามีจิตปราถนาจะขึ้นนั่งแท่นจะแล่นแล้วก็เลี้ยวไม่ลดเลือนอุตสาหาพยายามอย่างยิ่งยวด แม้จะค้งภาพอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ถอยเพียนพยายามอยู่หลักหนาจนกว่าจะขึ้นนั่งแท่นได้สําเร็จเพราะเราจะสือเป็นอยังไงเวลาจะโดดขึ้นนั่งแท่นเพียนแล้วเพียนอกอุปมาข้อ น, นี้ฉันใดถ้าโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีจิตใจมุ่งมั่นในการปรารถนาเป็นพุทธเจ้าย่อมมีใจอาหารประกอบไปด้วยสาหาเพียนพยายามเป็นวิริยะไม่ท้อถอ ย, ถอยไม่หยุดยัง้ง เจนกว่าจะถึงจุดหมายากล่าวคือการเปร็นพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านตั้งสมาทธิความเพียรนั้สูงมากคือคืออย่างเราเนี่ยนะบางทีเราเพียรเราแค่ว่าอ่ะแค่ไหนแค่แค่แนั้นใช่ไหมแต่พระพุทธศาสนาท่านจะเอาโพธิญาณเป็นตัวตั้งใชท่านเอาการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งคือท่านเพียรของท่านไปเรื่อยๆอะ่ะ ไม่ได้เพียนแบบหุนหิตเพียนนะเพี้ยนแบบตั้งมั่นคิดว่าจะต้องทําไม่ได้ชาตินี้ไม่ได้ตายไปชาติใหม่เกิดมาใหม่ก็เพียนไปเรื่อยๆแบบนี้แม้แต่วันสุดท้ายที่จะตัดสเลิก็เพี้ยนใเพียนในการบอกว่าถ้าไม่ได้ตัดสเลิกนัตะละสัมมาสัมกวิยานจะไม่ลดขึ้นเนี่ยไห้รักษาท่านี้เพียน ม, มุ่งมั่นกันาดนึง ที่ตอนเพียนมันเป็นทุกขลัจกจิตญาณผู้เจ้าของเราองค์พระองค์เนี่ยเพียนนะจนว่าเอาจากไม่จากการไม่กินอะไรเลยนะจนวกาหอมเหรือจนหนางอ้วนเลอลุกก็ส่วนเซที่จะลบเป็นต้นหเหล่านี้ยแล้วก็จะตำหนิดในใจว่าในบรรดาคนที่ทําความเพียนที่มีมาในอดีตในที่จะมีมาในอนาคตและในปัจจุบัน จยงอย่า ง, อ ย, างอย่างดีที่สุดก็แค่นีไม่มีใครทาเกินนี้แล้คือสุดเยะถ้าเพียรอีก น, นิใจขาดตายแล้วว่ากันจะบกมัแค่นี้ถ้าเพียรสุดก็ได้ไปดูถ้าเพียได้ตอนนี้มันจะตายอ่ะนั่นก็เลยอุ่ไม่ได้มันตายเป่าแล้วมไม่ได้ตัดรู้ก็เลยถอยออกมาอันนี้ผมไม่ใช่หนทางนนยอยู่นี่เฉะยังไม่เคยขนาดนั้นเนาะ ยังไม่ไกลขนาดโอโหเพียนขนาดที่ว่าเอาไม่ใช่กีริสแต่เดิมมังแล้วเอาโพธิยาตเลยอันนี้เรื่อวิยาประการต่อมาขันติขันติเนี่ยแปลว่าความอดทนขันติมีความอดทนคือมีความอดกันต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอันนี้กิตของขันติจะเป็นเล่เมื่อคนที่มีขันติก็จะ เขาอดทนได้เช่นอาหารที่อร่อยอร่อยก็ทนใช่ไหมใจเขาไม่วอกแวกคือคนมีสันติหรือว่าอาหารที่ไม่น่าสาทะนาเขาก็เขาก็ทนนะมี่ก็เรียกว่าทนต่อสิ่งที่น่าสาทะนาแลไม่น่าสาทะนี้ยก็อย่างใ น, นเวลาเราสมัยก่อนเนี่ยจะเดินทางเวลาเดินทางไกลๆแต่ก่อนก็จะชอบเดินทางไกลๆกัน เดไม่ไหวก็ไมเป็นไพอเดินเดินไปสักระยะหนึ่งก็เหงื่อเริ่มออกไอ้ทับรองเท้าที่ใส่ไปมันเริ่มลื่นแล้ว้เข้ากับเข้าอบาทก็ดียากก็ดีอะไรก็ดีที่สะายไปเรื่องนักงทีเตียวก็เหลือไปเลยหลายเล่มแิต้องงโนริงเลยนะมันไม่ไหวจริงๆแดดก็ร้อนใช่ไหมแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอ้หยุดก็ หยุดก็หยุดไม่ไ้ทำไมหยุดแล้วก็อย่างวันต่อไปแล้วก็ถ้าเราหยุดตรงนี้มันก็ไม่ถึงจุดหมายว่าไม่ถึงจุดหมายวันต่อไปแล้วดินบาบได้ไรเงี้ยอ้ต้องทิ้งในี้ของนักๆองต้องินส่วนจริงรองเท้าก็ต้องทิ้นรืบไปหมดเลยเดินลาบากก็ต้องทินของที่เบาที่สุดเลยนะของนังอื่นบงทีเป็นารหมดเลยต้องรีบคนบางคนนี่ เอยเดินถ้าเาจะเดินจะอะไรได้กันเนี่ยดูสู่ได้บางวงนี้วถือขอบเทไรไปเดินไม่กรใจาด้ดสุดหลักเข้าทีอนาที่ไม่หนาเลยโอ้โม่เนี่ยเป็นอัไนตีไม่ถึงความอดทนไหงเพราะความอดทนเนี่ยมันมีเราจะได้มันต้องอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าปลาธนา คือสิ่งที่เรากาลังได้แล้วมันี้่น่ารับถึงแล้วก็สิ่งที่น่ารับถึงเมื่อเวลาเหมือนไม่ต้องอะไรสมัยก่อนอยู่ที่สวนตาแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยนะต้นไม้สักต้นก็ไม่มีนี่แต่ดินแดงๆอย่างนะี้แล้วก็เอาเพิ่มเป็นหญ้าคาเป็นกั้นเขาไว้แล้วก็เอาออกกร ด, ดไปกาันนะแล้วไปอยู่อย่างนี้เลยนะโอ้โหอยูอย่แค่ขึ้นเดือนแค่ น, นะนะั้นตัวดําเป็นเหลียง ร้อนจริงๆแต่ก็อยู่กันประมาณาห้าหกมงนี่เส้มันกํวาวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวร่างกายต้องปรับให้ดีด้วยกลางวันก็ร้อนโผ อ, ออกแต่ที่ร่มแค่ไหนม่ได <laughs> นั่งเฉาจบ ก, กันอยู่นั่นแหละถ้าอะไรกรรมฐานมางใจทีนี้เวลาแบบันร้อนเนี่ยกรรมฐานด้วยต้องไอดตอวย็ก็ลาบาก บางทีมัก็งวเหยียดน่ไก็ใส่น้ำก็ฉันน้ำฉขนใดใส่น้ำื่อนก็ไหลตลอดเลาอากาศตลอดเงื้อในใจมันจะมาอยู่ทาไมกิเี่เกิดกลับดีกว่าอคิดไปถะครเดินี่ปอยู่ได้เป็นลมเลยไม่เป็นเมื่อเช้าวินบาลก็ล่ม แล้วก็มีความอดทนอดกลั้นหรือมีความไม่โกรธเป็นประจุประทานแล้วก็มีการเห็นตามความเป็นจริงนรันขันติฉะนั้นลักษณะของขันติพุทธกาลระาาทำามี่ว่าท่านปรารถนาต้อง อ, อาศัยความอดทนที่ยิ่งใหญ่มีจิตใจที่มั่นคงถ้าไม่มีขันติเี่ยนะยอมยอมตนเป็นประดุจดังธาตุแห่งบรรดาสัพพกิเลิก็แปลว่า ถ้าหาว่าเราไม่มีคันติก็แปลว่าเป็นคนที่ยอมยอมต่อ ก, กิเลสเช่นอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากอะไรก็ทําตามกิเลสอย่างเงี้ยนะไม่ต้องปรารถนาเลยการเป็นพุทธเจ้าหรือแม้แต่การเป็นสาวกก็ไม่ได้แนละ้วฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ทําตามกิเลสอ่ะอยากยกตัอยากเช่นว่า ไอ์กิเลสเป็นปัจจัยอยากจะให้นั่งเนี่ยเขาจะไม่นั่งตามอยูเ่เขาจะพิจารณาก่อนไอม้มีกิเลสนั่นเปตปัจจยยัยเขาไม่เราอยากเขาขจัดจกิเลส เ, เสร็จก่อนเขาก็ดูตามความเป็นจริงว่าเออมันควรที่จะ น, นั่งหรือยังเ้าดูเหตุผลนะแต่เหตุผลไม่ได้เหตุผลของกิเลสนะต้องเป็นเหตุผลต้องปัญญาเลยนะถ้าเหตุผลของกิเลสเนี่ยมันรายงานเรนะื่อยแหละโอตอนนี้ปวดแล้วนั่งเลยแล้วอะไรเงี้ยนะกิเลสก็พักดันให้ไปนั่ง ถ้าทักนั่นก็ไปนอนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพไปนอนเสร็จเสรต้องแม่วันนี้งดหยุดฟังเพลงน่าจะดีใจนงี้กิเลสที่จะไปแล้วไงคือคนที่เขาเจริญปัญญาคนที่ก็มีคันติก็แม่เขาไม่ยอมเป็นท่าเขาเกีเ่ยวเขาบอกว่าไม่ยอมเป็นท่าของกิเลสถ้าหากว่ายอมเป็นท่าของกิเลสก็จะหมดโอกาสที่จะตัดสุขแค่นั้นเพราะบริษัทยิงเพียงพยายาม สั่งสมคันติบารมีอยู่เสมอทุกชาตินะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสมาทานคันติธรรมอุตสาหะาระนับใจไม่ให้เกิดปฏิฆาคือไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความขุนข้องมองกับมองใจอดทนแมน้เอาชีวิตนี่ยนะเข้าเป็นเดิมพันในกรณีที่พระโคดิสสั์ทั้งหลายมีใจประกอบไปด้วยคันติธรรมเนี่ยอุปมาบอกว่าธรรมดาพื้นปฐพีเนี่ย พื้นแผ่นดินเนี่ยย่อมดทนทรงไว้ซึ้นสะสมภาระาน้อยใหญ่ทั้งหลายในโลกคือเขาจะพากันทิ้งถมระดมศาสตร์วัตถุสิ่งของที่สะอาดและของโสโครกที่ไม่สะอาสมสาระาทั้งหลายที่มากมายหนักหาลงบนพื้นแผ่นดินเนี่ยนะทุกวันทุกเวลาแต่พื้นแผ่นดินเนี่ย ก็ไม่ได้แสดงอาการลำคาญหรือยินดีนหรือชอบใจในวัตถุสิ่งของนั่นเลยที่บุคคลผมทับลงไปเนื้อสรุปก็คือว่าเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างตึกคือไร่เปานรถบางทีว่าของหนักบ้างของเบาบ้างเลยวางบนแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยไม่แสดงอาการสะทกสะท้านหวั่นไหวฉันใดพระโพธิสัพท์ก็อย่างนั้นนะมีจิตใจมุ่งมั่น เพียรพยายามสั่งสมทั้นดิธรรมบำเพ็ญตนไม่มีอาการโกรธในจิตไม่ประทุสลายไม่เดือดดานในใจไม่ให้เกิดอาการหวั่นไหวในเหตุการณ์ทั้งปวงจนกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโอใจต้องขนาดนั้นเลยใจงว่าบทิษณ์อันนี้ก็เราท่านทั้งหลายก็ก็เอามาตึกในการที่จะระลึกถึงถึงบรารมีระลึกถึงพุทธคุณ ฉะนั้นการระลึกถึงบารมีเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็เชื่อเป็นการระลึกถึงพุทธคุณด้วยประการต่อไปก็คือสัจจบารมีมีการไม่กล่าวผิดเป็นลักษณะแล้วก็มีการประกาศความเป็นจริงเป็นรสมีความชื่นชมเป็นปฏิปทาแล้วก็มีความสงมบสงบอันนี้เป็นประทักฐานสัจจพุทธาและธรําความเบาเพื่อปูนสัจจสัจธรรมเนี่ย คือมีใจประกอบไปด้วยสัจจะไม่ละความสัตย์ซื่อตรงถ้าได้ตั้งสัจจะอะไรลงไปแล้วเนี่ยเที่ยงตรงในการที่จะไม่แปรผันไม่ยักย้ายโหตรงเนี้ยคือถ้าตั้งใจอะไรลงไปแล้วก็ไม่เบียนไม่ ย, า ย, ย้ายเยบ่อันนี้หมายถึงความดีนะไม่ใช่ว่าเอาละคนนี้จะดอดจะไม่พูดกับมันอันนี้ไม่เป็นกจัจจบาลมีนะ อันนีไม่เรียกไม่รียกสัจบางคนบางคนไปเข้าใจผิดจะคิดว่าอย่างนี้เป็นสัจจะไมไ่ใช่นับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าถ้าฉันพูดกับคุณขอให้ฉันเป็นหมาว่าเป็นไหนของคนพูดหนักขนาดนันเราฟังยังจะรุ่งเลยอันนี้ไม่ใช่สัจจะบารมีไม่ใช่อันนี้เป็นอะไร เ ป, เป็นโทสะเลยเป็นโทสะไม่ใช่บารมีสักข้อเลยไม่ไม่มีบารมีเพราะบารมี จ, จะไม่ไม่ไปในทางที่ไม่ดีเลยแล้มันคนเรานี่ก็มึงต้องระวังไว้นะเนี่ยเกี่ยวกับภระ่าว่าเออเมื่อครู่ที่พูดเรื่องคันติขันติมันจะข่มวามโกรธได้ถ้าคนมีขันติเนี่ยนะก็จะสามารถขจัดความโกรธ ทีนี้ความโกรธอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนเนี่ยเราเราไม่พอใจทีนี้ชีวิตมันก็จะต้องเกี่ยวข้องคนคนนี้มันคือเกี่ยวข้องเพราะคนอยู่บ้านเดียวกันได้ร่ำงวยแต่โกรธกันไม่พูดกนันอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปนัญหาอย่าลืมเนอะความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่มันจะทุเราหลงมันจะเพิ่มมากขึ้น ที่มันพอเพิ่มมากขึ้นมันเป็นปัญหาอยยายุก็อย่างพระเทวทัตเนี่ยถามว่าพระเทวทัตเนี่ยท่านดีหมดไหมยอย่างอื่นดีแต่เวลาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วท่านหมั่นใจคือเนี่ยคือคือ ท, ท่านทำอย่างอืงอ่นท่านก็ทำดีมาเยอะนะแต่พอมาเห็นท่านคนนี้ทีไรแล้วท่านเสียหายทุกทีเลยพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าทีไรเนี่ยนะคือท่านตั้งใจตั้งตั้งจิตไว้ไม่ถูก คือท่านไม่มี่ารสงา์มาสิการเพราะเห็นท่านบนคนบางคนก็เหมือนกันนะอู้วาทำทุกอย่างดีกว่าแหละแต่พอกลับมาที่บ้านมาเห็นคนบนนี้อะไรโอ้มันมันไม่ถูกครอบไอ้ตรงนี้หนะ้เข้าหนะักเข้ า, นะขามันข้ามอบชาติมาเลยความโกรธเพรมันข้ามอบชาติมือางทีมันฝังแน่นหนะัาเข้าหนะ้าเข้า ไอชาตินี้ไม่ได้เป็นศัตรูกันเท่าไรเพราะใบชาติหน้ามันอยู่คนละ้องอยู่คนละค่ายนะเข้ามาเข้าเข็นข้าเป็นศัตรูกันสหสอาถรรพ์กันให้สังสารวัฏมันยังยืดเยื้อมันยังยาวนานนี้างมันอย่าลืมเนื้อคนที่ฆ่ากันทบกันตีกันนะมัใกล้ๆกันนั่นแหละเคยเป็นว่าเป็นเมียกันเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องคือมันหลายภบหลายชาติจำกันไม่ได้ที่มันเคยโกรธกันมาบางทีก็ตั้งแต่เป็นสามีภรรยากันนี่แหละ มันโกรธกันอะไรกันบางทีไม่ใช่รอให้ชาติหน้าเดี๋ยวบางทีค่ากันในระหว่างที่เป็นสามีรรยากันอยู่ไม่ต้องรอให้ชาติหน้าฉะนั้นจิตที่สร้างไว้ผิดอย่างนี้โทษโดยส่วนตัวถ้าพอที่ตับทั้งหลายจึงพยายามสั่งสมสัจจะอยู่ทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นชาติอะไรเพียรพยายามจะรักษาศักดิ์เช่นรักษาวาจาคำพูดของตนไม่ให้ล่วงละเมิด อันเป็นข้อเท็จขึ้นมา ป, ปฏิญญารับว่าจะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไม่แปรผันไม่กลับกรอกไม่หลอกลวงเลยเป็นกิริยาที่คือจะไม่โกหกไม่โกหกตนเองไม่โกหกคนอื่นถ้าพูดว่าจะทำอย่างนี้นะเนี่ยออบางทีเนี่ยพระบริสัทพูดเนี่ยพูดที่จะทาเนี่ยใจท่านจะจะมั่นคงไม่กลับกรอกแล้วเพราะท่านบอกว่าท่านมีความเคี่ยงธรรมประจำใจนั้น เหมือนอะไรเหมือนตายโชว์คันชั่งเนียเที่ยงตรงอ่ะคือยอมสละชีวิต น, นะรักษาสัจจะเลยแต่ตรง น, รงนี้ตรงนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีคือเมตับถ้าพูดแล้วก็ก็ต้องทำให้ได้ทั้งในกรณีที่พระโพธิสัตว์จะมีน้งใจประกอบด้วยสัจจะความเที่ยงตรงเนี่ยมีอุปมาที่ท่านกล่าวว่าว่าธรรมดาเนี่ย เขาบอกว่าดาวประกายขึก <c oughs> เมื่อเคยขึ้นประจำอยู่ทิศไหนก็ย่อมโคจรขึ้นประจำอยู่ทิศนั้นนี้ฉีนั้นนะจะได้เปลี่ยนแปล ง, ง, งยี่ย้ายไปปรากฏในทิศอื่นก็หาไม่ย่ <c oughs> ยอมทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงไม่ว่าการมนฤดูไหนอุปมาข้อ น, นี้ฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนะั้นทั้งมีใจมุ่งมั่นในอันที่จะทำมูลยานันบเสดให้เกิดขึ้น ก็พยายามต่างสมสักจะบ่เป็นบา ร, รมีอยู่ในความศักไม่สะ บ, บัด บ, บิดเบือนหรือแปรผันตั้งมั่นอยู่ในความเที่ยงตรงพวกนะั้นจนกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสิ้นกลับมันไม่ใช่ไอ้อัยาสายก็เที่ยงตรงเป็นไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็ เ, เพิ่งรู้นะว่าดาวดาวประกายขึ้นนี่นะเวลาขึ้นอยู่ทิศไหนก็ทิศนั้นะเวลาไหนก็เวลานั้น และฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนก็ไม่ยากที่ท่านก็อุปมาเอาดาวนี้มาเป็นสมยัยอันนี้คือสัจจะประการต่อไปก็คืออธิษฐานนะบารมีมีความตั้งมั่นในโพธิญาณอันนี้เป็นลักษณะมีการครอบงาสิ่งที่เป็นปฏิปปะของโพธิโพธิสมภารเหล่านั้นเป็นประจุประฐานแล้วก็มีโพธิสมภารเป็นประธาฐาน มีสามอย่างในอธิฐานบารมีคือความตั้งมั่นเขาว่ามีใจประกอบไปด้วยอธิฐานธรรมด้วยความตั้งมั่นเด็ดขาดยิ่งนะถือว่าด้วยว่าพุทธภูมิเนี่ยจักสําเร็จได้ต้องอาศัยอธิฐานธรรมเป็นประการรายสำคัญในบทเป็นประการรายสำคัญเหตุนั้นพระโพธิสัพว์เนี่ยจึงพยายามสร้างปบ ร, รงอธิฐานธรรม ให้เพิ่มคูนเนี่ยแล้วให้แก่กล้าไปทุกๆุกชาติเกิดในชาติไหนก็พยายามสร้างใช้ความเคียรมาประคับประคองสร้างนะอธิษฐานนะครับเนี่ยตั้งมั่นในดวงจิตคือจิตของคนเราเนี่ยเวลาตั้งมั่นในเรื่องใดเนี่ยมันจับดิ์สิทธนะไม่ใช่ไม่ศับดิ์นิทธิ์นะเข้าในเข้าก็กลายเป็นคนอย่างนี้เมื่อ ค, คนบางคนบอกว่า เ, เราอย่าเป็นคนขี้กลัวเราเนี่ย เ, เป็นคนไม่ค่อยกล้าในการากระตุ้นปฏิบัติในการศึกษาถ้าทำอะไรต่างๆก็แล well, mm ้วแต่เนี <tr> <ed society> ่ยจริงๆมันอยู่ตรงที่การอธิฐานด้วยความตั้งมั่นนั้นถ้าเกียรติยาม้พินโยภาดียิ่งขึ้นไปจนสําเร็จตามวางประสงค์ถ้าอธิฐานสิ่งใจก็มีใจเรื่องเนี้และไม่หวั่นไหวเรื่อยๆก่อนถึงใครจะโขลกคำรามข่มแะไต่างๆอย่างนี้ยก็ไม่ละเดียวก็เหมือนพระโพธิสัตว์ พออธิษฐานพบว่าจะนั่งถ้าไม่ได้ตัดจะรู้จกไม่รู้พยายามมาเลยมาขู่มาเลยไม่รู้ไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันเพราะานดิก็โดนขู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยคือลงได้ตั้งใจทาอะไรเลยไม่ใช่ว่าอธิษฐานจะอดข้าวรวงเพราะข้าวข้าก็ออเห็นไมมไว้กินมาแล้วกะ ยอมนั่นเลยนะอันนี้ไม่แย่ที่ไหนมีใหม่ๆแต่ไม่จริงแต่ไหมถ้าจริงเนี่ยต้องเอาอะไรเป็นเดิมพันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอันนี้ไม่จะไปยัย่วยงให้เสียชีวิตถ้าคุณจะตั้งจิตอะไรคุณต้องแน่วแน่คุณต้องจริงถ้าจะตั้งก้องจรงแต่ถ้าไม่จริงเน่ยไปครับเดี๋ยวมันจะออกมาได้วยางอายของไอ้ท่าท่าอธิษฐานไปบอกว่าไม่จริงท่าโพมิสัตย์ ถ้าไม่กินคือไม่กินไงจะหาไปโรงพยาบาลให้น้ําเกลือเราไม่ให้ไม่เอานี่หาไปโรงพยาบาลเสียบน้ำเกลือให้คืออาหารนั่นเลยใช่ไหมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบริสัต์เนี่ยเทวดาจะเอาโอดโอโอ๊ดสดทีเป็นทิพเนี่ยจะเอาอาหารที่เป็นทิพยมาทาตามผิวหนังเนี่ยท่านขอร้องเลยบอกว่าอย่าทําเลย ถ้าทํำอย่างนั้นชื่อว่าเราหลอกลวงตัวเองเนี่ยเราเสียอธิษฐานทำนะคือเราจะเสียบา ร, รมีใช่ไหมคือความแหมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าน้ำทีต้องรออธิวัฒน์มาช่วยนั่นเป็นนฉะนั้นเราเป็นสาวกของพระเจ้าเวลาตั้าใจอะไรไปนะทาให้มันจริงเลยถ้าเราร่วมไม่ได้เลยอย่าไปตั้งถ้าใจะตั้งนะตั้งใยปัญญาอย่าตั้งในโมหะ อย่าตั้งในโลภะอย่าตั้งในโลสะอย่าลืมนะว่าโทสะก็เป็นปัจจัยกาตั้งจิตอธิษฐานได้โลภะก็ตั้งได้โมหะก็ตั้งไดแ้แต่ถ้าตั้งในโลภะโ ท, โทสะโมหะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตั้งได้ในนานหรอก พอตั้งตั้งไปแล้วมันไม่ได้เช่นเราอยากจะได้ใช่อยากจะได้ในสิ่งที่เราเรียกร้องเราก็เอาโลภะมาพ <c oughs> อตั้งให้ตั้งไปตั้งมาความอยากไอ้ความอยากข อ, อกงเรามันมันไม่ได้มาด้วยปัญญา <c oughs> น่ะเข้าน่ะเข้ามาเอ๊ะใช่ไหม <c oughs> พอมันไม่ได้อย่างนี้เป็นคิดมำนั้นก็เปลีปล่ยนเปลี่ยนเจตนา มันไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาเนี่ยมันจะเป็นรกากฐานว่าเออไม่เปอะไรหรอกถ้าจะตั้งจริงๆต้องการจะตั้งเนี่ยจะถ้าตั้งโดยปัญญาก็าพิจารณาจะรอดข้อได้ไหวไหมถ้าไหวเนี่ยก็ประ ก, กาศถ้าประ ก, กาศออกไปเนี่ยบอกว่าไม่เอาเนะอา่านบางที่เอาน้ำบางทีเอานะแต่นอกตื่นนอกอื่นอย่างน้ําเนี่ยต้องไม่เอาอยริงๆไงทีนี้ มันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมมันทุกเวลาลองไปทดลองดูแล้วไอการอดอาหารเนี่ยคือจริงๆต้องการทดลองดูสภาพร่างกายแต่นั้นก็ อ, อยู่ปฏิบัติเรื่อวันแรกก็ไม่ค่อยเ่าไหลทดลองเลเพอวันที่สองสักชักเริ่มมีอาการแล้วมันมันเพียแต่เท่าร่างกายเพีรยรมเพียวคือ คือเริ่มเริ่มเา ต, ต้องต้องเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงถ้ายิ่งเคลื่อนไหวหรือคิดมากๆเนี่ยมันมันมันจะต้องต้อ ง, องทําให้มันได้ประมาณสามสี่วันนะไม่ต้อลองดูแลอันนี้ทดลองดูสภาพร่างกายในสมัยสมัยเ ม, มื่อแล้วลก็เวลากลับมาแข่งใหม่ก็ลําบากแต่เราก็ใช้น้นํานยก็ต้องระวังโรคไัยอันนี้เรารู้อยู่ว่าไม่ได้วิธี ไม่ใช่วิธีไม่พูดยาวพุทธาตองนะ้ไม่ใช่แต่ถ้าเราจะทําก็ได้นะตุกขัดตัวเองเพื่อขัดเกลาคิดอนะไรเนี้ยก็ว่าไปแต่ต้องต้องคิดมันถูกแต่คิดไม่ถูกมันผิดก็ได้นะเหมือนตัดคอเนะี่ยใช่ไหมตัดนิ้วเนี่ยถ้าคิดถูกถูกเลยนะถ้าคิดผิดก็ผิดเลยมันด้วยปัญญาด้่โมหะด้วยอะไรมันได้ทั้นั้นแหละนั่นเจตนาตรงนี้สำคัญมาก ในการติดเช้ถ้าคนมีข้อมูลมีความรู้ก็ไม่ไเสียแล้วสาคัญว่าข้อมูลความรู้แค่ไหนอย่างไรดังนั้นถ้าพระโพธิสัตว์ลงแน่ที่ฐานแล้วเนี่ยแน่วแน่มากไม่หวัน่นไหวขูว่ใครมาขูก็ไม่ไม่ไเป็นไในกรณีที่พระโพธิสัตว์มีใจประกอบไปได้วยที่ฐานเนี่ยเป็นอุปาสมาเหมือนไหล่ในบรรดา เขาบอกว่าก้อนหินภูเขาแท่งคืบที่ใหญ่มานึงมาเนี่ยที่ตั้งมั่นรัดินฐานนั่นทีเนี่ยเช่นภูเขาใหญ่ใหญ่เนี้ยที่สูงทา ง, งานถามว่าภูเขาที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยตั้งมั่นขนาดนั้นน่แม้จะมีพายุใหญ่สตาร์ไทัดมาจะทิดทั้งสี่ ก็ไม่อาจที่จะทําให้ภูเขาที่ใหญ่นั้นสะเทือนสั่นคลอนหวั่นไหวได้อุปมาข้อนี้ฉันนะพระโพธิสัตว์ก็อย่างนั้นนะถ้ามีใจมุ่งมั่นตั้งจิตอธิษฐานนะทําอยู่เนื่อยไม่มีจิตหวั่นไหวในที่ทุกสถานในงานทุกเมื่อถ้ายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ น, นะก็ไม่ยอมหยุดนั่นก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมเลิกลบอันนี้เขาเรียกว่าอาธิษฐาน ประการต่อมาก็คือเมตตาบาลามีตรงนี้สำคัญมากคือมีความเป็นไปหเห็นประโยชน์เพื่อกลูเป็นลักษณะแล้วก็มีการนําประโยชน์เพื่อกลูเข้าไปเป็นรถมีการกําจัดความอาฆาตเนยแหลแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นประทัดฐาเป็นปฏิบัตฐานก็มีมีเห็นสักคล้งหลายที่น่าพอใจเป็นบรราฐานแ เอเมตตาบารมีกับเมตตาพรห ม, มีหาเนี่ยมันมันคล้ายกันแต่มันต่างกันคือเมตตาบารมีเนี่ยมีน้ําใจใค่จะให้สักด์ทั้งหลายได้ประสบความสุขสํำราญทุนนะ่นหน้าพระโพธิสัตว์เนี่ยจัดสาเร็จลงได้ต้องอาศัยเมตตาบารมเีเป็นประการสำคัญคือพยายามตั้งสมเมตตาอันล้ําเลิศให้มาก มูดพร้อมพูแก่ก้าทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นชาติอะไรเนี่ยก็จะสั่งสมเมตตาอยู่เรืองนิดเขาบอกว่าย่อมแผ่ความเย็นช่ำชุ่มชื่นใจให้กะบสัตว์ทั้งหลายทว่นหน้าไม่ว่าจะเป็นเปตตอสุรากายสันติราชาสันนลหรือมนุษย์เป็นเทวดาเป็นตจ้นคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะ ลักษณะของเมตตาของพระโพธิสัตว์เน่ยจะแผ่ไปถ้าเราพูดถึงในด้านของเมตตาของวิหารหรือเนี่ลักษณะนี้ก็ให้สังเกตอย่างนี้บอกว่าลักษณะของเมตตาบา ร, รมีเนี่ยมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เพื่อกูลก็คือว่าประพฤติประโยชน์ทางด้านกายกรรมเวทีกรรมให้กัตสรรทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะ เช่นถ้าหากกระทำทางกายก็เป็นเมตตากายตอมถ้าหากพูดออกมาทางวาจาก็เป็นเมตตาวีติกามัางใจก็เป็นเมตตามโนกรรม <c oughs> คือลักษณะของลักษณะของพระโพนิสัต์เนี่ยเวลาทําอะไรแกทายเนี่ยก็ทำเมตตาทั้งต่อนหน้าและรับหลังนั้นเมตตาคุณท่านอย่าบริบูรณ์เมื่อเมตตาทั้งต่อนหน้าและรับหลังท่านทาอะไรนี่นีก็ทําด้วยเมตตา เ อ, ออย่างยกเป็อย่างเช่นว่าเวลาท่านจะทําอะไรต่างๆอย่างนี้ท่านก็จะคำนึงถึงประโยชน์ว่าเ อ, อสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์แต่บุคคลส่วนมากแค่ไหนอย่างไรแน่นในขณะที่ท่านทำนั้นใจท่านก็เป็นไปเป็นเมตตาในการที่จะอนดูแลบุคคลเราอยู่หรือเวลาท่านตอบโยนบุคคลทั่วไปเสมอน้นะนคนที่มีความทุมาเนี่ยท่านก็พูดให้ท่านคลายทุกข์ไปก็แล้วเนี่ยนะพูใ้ในคนมีความหวังวก็คือพูดด้วยเมตตานั่นแหละ อันนี้เขาเรยกเมตตาวิธีครัรมใจตันงลำคิดในเรื่องของเมตตาอย่างนี้เป็นต้นฉันั้นเราต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสัตวาประหลาดเป็นมโนุษย์ตั้งอยู่ในเพศพันวันหน้าใดเนี่ยเป็นคนตาบอดหู้นหัวยาจกวันนี้พบเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์มียศเป็นเศรษฐีเป็นราชาเนี่ยเป็นพระมหาประจับเป็นต้นเนี่ยเมื่อมีความปราศถนาเบาวหน้าลงมาวักดื่มน้ําในทารานั่นแล้วอุทกาวารีย่อมให้รด ความเย็นไปในสวนทุกทนหน้าไม่เลือกเลยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยน้ำเย็นเย็นเนี่ยทุกคนไปกินต้องเย็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสัตว์็นพวกไหนถ้าเอามาดื่มเอามาอาบเอามารูปหน้าก็เย็นเหมือนกันหมดข้อนี้ฉันได้ถ้าโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อย่างนั้นวีใจที่มุ่งมั่นสร้างเมตตาในดวงจิตตัวนะั้นคือไม่ทัไม่ใช่จำกัดเลยนะทุกประเภทเลย ให้กับศับทและสังขารทุกประเภทเลยว่ามีน้งใจใจิตใจความรากักความปรารถนาดีความเมตตาเนี่ยเสมอเหมือนกันเลยเกิดเป็นอย่างนี้ลักษณะของเมตตาบาลีเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าอย่างคนที่ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเมตตาเฉพาะบุคคลใช่ไห แต่คนนี้ก็าฝึกปฏิบัติดีล้วก็รักเราก็เมตตาคนนี้มันทาให้ดีว่ า, า <c oughs> มันจะไม่รักแค่ไปจะก็ไม่รู้จะรักคนมาทาไมไม่รู้จปตาธนาดีมันทำไมว่ามันนิสัยไม่ไ ด, ดีถ้าเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยสมมุติมีลูกหลานใช่ไหมมีลูกหลานห้าคนมีทรัพย์สมบัติทั้งเขาดีหรือไม่ดีตไปแบ่งเข้าออกาันเลยใช่ไหมถ้าอย่างเราเนี่ย คนนีนไ้ไดีให้น้อยนะคนนี้ไว้ใจได้คนนี้ไว้ใจไม่ได้ไมันจะแยกแบบนี้นะนี่ลักษณะของเราท่านทั้งหลายจะเป็นลักษณะแต่ถ้าพระวิษณ์จะไม่เป็นอย่างนี้ท่านก็ท่านก็พิจารณาแต่จริงๆท่าน ก, ทานก็ท่านก็รู้จักที่จะสอนนี่นไม่ใช่ว่าโอ้ท่านให้เลยประเภทที่ขับปัญญาบางทีท่านก็ไม่ให้แต่ท่านก็มีอุบายวิ่ีเย่เอนยกตัวอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้านะ่ บอกแกด้า น, นพระนอนุนบอกว่าดูก่อ น, น, นอนุนถ้าเราจะถานตัดปฏิพาน์แล้วเนี่ยให้ลงระมาคัณฑ์แกนายฉันนะเ น, นาะพรนายฉันนั้นคือพระที่ใกล้ชิดเป็นคนที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนทั้งแต่เป็นาาสารวัตรเนี่ยเขบอมาแล้วใครก็ว่าไม่ได้นายข้านายข้าพระเจ้าจะปฏิพันธ์แล้วยังไม่ได้อะไรเลยพระเจ้าก็เลยรู้ในงานที่จะลงทุษถ้าลงโทนแล้วต่อไปก็จะําเละและจะเป็นรู้ พระเจ้าเลยบอกท่านนนอว่าต่อไปลงรมประธานเจนายจ น, นแะแล้นถ้าเราปฏิญญาความของพระเจ้าปฏิญญาความสมก็เลยลงรมประธานเจนายชนะนียท่านา น, นอนถามพระเจ้าเออลงร o ประธานลงยังไงคือไม่พูดไม่ว่าเก่าหนึ่งอย่าคุยด้วยคนึ่งสองสามสัปดาห์ทนไม่มีใครคุยด้วยเนี่ยคิดหนักนะใช่ไ ห, หนั่ง้าวนั่ข้าอยู่ไม่นา้เราต้องรีบไปขอมาัน้ะ สำนึกโทษเนี่ยแล้วก็เรียนโดยมุ่งปฏิบัติให้ยอมไมสงวากาวแล้วก็บรรลุลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้ามองการไดก็จะเป็นอย่างวิธีการจัด ก, การากับลูกกับหลานคนในยุคก่อนบางคนก็มาทําลักษณะเขาไม่ให้หแต่เขาฝากไว้กับอีกคนนึงเป็นใบหูกระโจนขอปดขอปู่ย่าตายายหน้าเลยแต่นายข้าในเยข้ า, ข า, ว, ข า, ว, ขา ว, ว่าเออ ลักษณะอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการที่เมตตานี่นะเมตตาก็คือว่ามีการกนจัดความอาฆ า, า, าตอาฆาตวัตถุกาจัดความอาฆาตเช่นว่าเขาได้ทำความเสียหายให้กับเราใช่งไงมเขา เขากําลังทําความเสียหายให้กับเราเขาจะทําความเสียหายให้กับเราอย่างนี้กาจับความมัคคุแบบเช่นเช่นคนบางคนเคยทําความเสียหายให้กับเราเนยเราโกลธไหมและกําลังทําความเสียหายให้กับเราเราก็โกรธหรือจะทําความเสียหายให้กับเราในอนาคตอันนี้เราตอบไว้เลยคนคนนี้ไม่ได้แต่เข้าเขาจะต้องทําความเสียหายให้กับเราหรือจะซักสมบัติของเรานี่ประช่นประเภทที่สองก็คือว่า เขาจะทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักเขาเคยทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักเขากําลังทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักหรือจะทําความเสียหายกับคนที่เรารักนี่เราก็กลัอันนี้เป็นวัตถุที่เป็นที่ตั้งความกลัหรือเขาได้ทําประโยชน์เคยทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดนะกำลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด หรือจะทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดอันนี้ก็เป็นที่ตั้งเองความโกรธเขาต้องํำจักประการที่สิบก็ขกเขาบอกนี้พมเดินเดินไปก็สะดุดตอโกรธตอหรือว่าเตะเก้าอี้กะโถนเดินไปแล้วสะดุดอะไรตากบกลมลักษะไอย่างนี้ก็คือเป็นอาการวัตถุ คนบางคนเวลาไปสะดุดตอไม่ได้โกรธไปยังโกรธตอไปขุดตอต่อใช่ราอไม่เดียดอันนี้คือคือลักษณะของของความโกรธก็ลักษณะของเมตาก็ขจัดะจัดความโกรธแบบปรการสุดท้ายคืออุเบกขาพุทธการกฐธรรม มีน้ำใจประกอบไปด้วยอุเบกขามีความเป็นไปเป็นกลางเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็มีความเห็นเสมอใจเนี่ยเป็นเป็นรัตนมีการสงบความเครียดแค้นความยินดีเป็นเป็นฐาแล้วก็พิจารณาทั้งหลายมีกรรมดุลของมงคลอันนี้เป็นประทัดฐาอุเบกขาในความวางเฉยเนี่ยเป็นกลางเนี่ยในธรรมทั้งหลายในข้อนี้ก็บอกว่าจะสําเร็จตรงได้ก็ต้องอาศัยอุเบกขาฉะนั้นนะโพธิศัตว์เนี่ย จึง พ, พียาพยายามในการบำเพ็ญอุเบกขาทำให้ร่ำเลิศให้เกิดมากเพิ่มพูนแก่ก้าทุกชาติไม่ว่าจะสวยพระชาติเป็นอะไรก็ตามก็อุตสาหเพียรพยายามในการบำเพ็ญอุเบกขาทำคือวางเฉยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ทั้งยังขาดยังไม่เต็มบริบูรณ์ถ้ า, าว่าอุเบกขาบารมียังขาดระบบท่องนี่ก็เพียรพยายามในการยิ่เจริญ้า บางเทาาก็เอาชีวิตนั่นแหละเข้าแลกในการสร้างอุเบกขาเพราะโพธิสัตว์ทั้งหลายมีใจประกอบไปได้วยอุเบกขาเนี่ยพเมา ว, ะวะ่าเมื่อมีบุคคลมาถ่ายอุจจรสัตวะของโสโครดลงกด็ดีหรือคนเอาสักการะมาบูชาดอกไม้ทุเกเทียนของหองมของสะอาดเนี่ยเอามาบูชาก็ดีาบากว่า ของสะอาดคนเอาไปเทใส่ในแผ่นดินกับดอกไม้ของหอมหรือคนไปนบูชาพื้นแผ่นดินหรือบุคคลจะสัตว์ทั้งหลายจะเหยียบย่ําด้วยความโกรธหรือจะเหยียบย่ำด้วยความเสียหาพื้นแผ่นดินมันก็นิ่งเฉยไม่หวั่นไหวตลอดชั่วเป็นกับเป็นการเนี่ยนะอุปมาข้อ น, นี้ยันเลย ถ้าโ พ, พธิสัตว์เจ้าทั้งหลายถ้ามีใจมุ่งมั่นในการจะบำเพ็ญบารมีแล้วเนี่ยก็สร้างอุเรขาให้เกิดขึ้นประจําใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นจนกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธกาลการกทาในการเสเร้างอุเรขาบารมียากพยาสรุปก็คือว่าก็ทําทบารมีทั้งสิบนี่แหละให้เป็นอุป ป, รปารมีสิบบรมัธรบารมีสิบเป็นเป็นบารมีสามสิบทัด บารมีสามสิบทัศน์นั้นน่ะมีชื่อเรียกว่าโพธิปารชนะธรรมอะไรทำสาหรับบ่งพุทธภูมหมายความว่าเป็นธรรมอันจําเป็นอย่างยิ่งที่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องพยายามบำเพ็ญเด่ยงเดีองเพื่อจะสำฤรธิผลเก่าคือการเดินรู้พระพุทเจ้าจนกว่าจะสุนงอค์จงกว่าจะตัสรู้ฉะนั้นพุทธการธรรมนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าบารมีทางที่นำให้ถึงฝั่งโน้นคือพานิทานเนี่ยเขาเรียกบารมีนี่้ะหรือบารมีเมื่อพราโพธิสัตว์บำเพทท็ญธรรมเหล่านี้เป็นครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเนี่ยธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นสารถีนำพระองค์ให้บรรลุถึงฝั่งคือได้จักรรู้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงพันธิทานาฉะนั้นไงนะ การทําความเข้าใจในเรื่องของบรารมีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นว่าเออมาศึกษาบรารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าดังที่ได้เคยกล่าวว่าอัธยาศัยของพ่อโพชิตักษ์เหตุต่อเหล่นี้ใช่ไหมที่บอกว่าเออได้พูดถึงในเรื่องของกลับเรื่องคําว่ากลับเนี่ยเขานับกันยังไงใช่ไมว่าพระพุทธเจ้าทั้งปัญญาที่กะ ศรัทธาที่กะและก็วิริยานิกะอย่างที่ท่านสร้างบารมีท่านสร้างบารมีบอกว่าเสียสงไข่แต่แต่สงไข่แล้วก็สิบหกสงไข่เรื่องํานักกันยังไงการเวลาที่นับเป็นจํานวนอสงไข่หรือจํานวนมหากรับที่ว่าเรื่อมานั้นน่ะก็ต้องทําว่าเขาเย อาสงไขยนั้นท่านกําหนดเอาการเวลาที่มากมายยาวเหลือที่จะนับท่นานคำว่าอาสงไข่เนี่ยท่านแปลว่าไรรูยไหมท่านแปลว่านับไม่ได้อาสงไห้ย่านคืออย่านับดีกว่าคือนับแล้วจะนับไม่ได้เ ท, ท่านั้นทีนี้ฝนตกใหญ่เนี่ยนะท่านเปรียบเทียบบอกว่าฝนตกใหญ่มาโอเวลานั้งจากตะวันนั้นตะวันยิงคืนเป็นเวลานานสิ สามปีติดต่อกันไม่ได้หยุดไม่ได้ขาดนี่นะไม่ได้ขาดสายเม็ดฝนน้ําฝนเจิงนองพ่วงทน้นเต็มขอบจัวาลอันมีระดับน้ําสูงได้แปดหมื่นถึงพันยอดนี่ยถ้าสามารถนับเม็ดฝนและหยาดฝนแห่งเม็ดฝนที่กระจายหรือฟองฝอยน้อยใหญ่ในขณะที่ฝนตกสามปีติดต่อกันมั้นได้ถาสมถัยหนึ่งเป็นจํานวนที่เท่ากับเม็ดฝนและหยาดฝน ที่ต่อบตรงมาอนี้อันนี้อุปมาเอาสาม ป, ปนีนะต่อทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยนะอุปมานี้เป็นอุปมาการเวลาที่เรียกว่าอสงไข ท, ทีนี้อห็ น, นดูคำพิมพพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยแต่ละประเทศต้องสร้า ง, งบา ร, รมีมาจํานวนหลายหายอาศงไขถึงจะนะจถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ แค่มีวัดมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยวิริยะอุตสาห์และยังยังยืดยั ง, ย, งยังนับเอเซจิตใช่ไหมแสนกลับอนะ่ะทีนี้จะพูดในเรื่องของกลับให้วงค า, าว่ามหากลับก็าบอกว่ายัางมีภูเขาใหญ่ตั้งกันงานขึ้นสูงเนี่ยนะ วัดภูเขานั้นโดยรอบนี่นะย่อมได้ปริมาณความกว้างความสูงก็คือหนึ่งยอดสิกิโลเมตรนี่นะภูเขาเนี่ยสูงหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดร้อยปีก็มีเทพยายดาถือผ้าคิปที่มีนิ้วละเอียดอ่อนนุ่มอี่ยนะี้ลงมาลงมาจากเทวโลก พอมาถึงก็คือถูเอาเช็ดยอดภูเขานั้นเหละด้วยผ้าทิพยนี่ยขนยหนึ่งแล้วก็กลับไปนีพอครบร้อยปีเทวดานั้นก็หออมาเอาผ้าขาวละเอเยียดถูยอดภูเขานั้นทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนภูเขา น, เนั้นเอี่ยลาบเตะพื้นตลอดเข้าที่เลืงกําำนวได้ว่าเป็นหนึ่งมหากับ ขนาองก็นับรักษณะอย่างนี้น่ยมากเปลเกินไงแค่ท่าบางบงด้วยเนี่ยมาปักทีเดียวมาปัดทีหนึ่งร้อยีถึงจะมาปักครั้งนึงจนไอ้สิบกเป็นยอดแห่งเนียทาบไหมรอีเทวดาใ <c oughs> อีกอุ ป, ปมาหนึ่งก็คือว่ากำแพงแห่งหนึ่งใหญ่โตมโหง คือว่ามีความกว้างความลึกเกินการยวดหนึ่งเขาบอกว่าร <si ้อยปีก็เหมือนกันก็เมล็ดสกัดยนหลุมลึกหนึ่งร้อยปีก็เม็สกาดใส่เนึ่ร้อยปีก็ไม่เอาตาใส่หนึ่งจนเมล็ดสกัดแดงหลุมนั้นอันนี้ก็ได้มหาครับส่วนอันตระกับ อันตรายตับนี่เนี่ยอันนี้อีกคำพีเนี่ยตับเห็นไม่ไปตรงแต่ละข้อพีแต่ละข้พีเนี่ยเขาบอกว่าในบรรดามนุษย์หรือคนเราเนี้ไม่ใช่ว่าจะมีอายุน้อยเกิดมาในโลกเจ็ดเพียงเจ็ดสิบแปดจุดปีเราะว่ามนุษย์ในสมัยเริ่มแรกนอายุเป็นอาสงไขในจํานวนที่เรียกว่าสงไขปีนั้นคือจํานวนปีที่มีเลขหนึ่งขึ้นหน้าแล้วต้องมีเลขศูนย์ตามร้อยสี่สิบหลัก ก็ลองตั้งดนูนะว่าเอาเลขหนึ่งตั้งแล้วก็ตามมาด้วยร้อยสี่สิบศนอันนี้เป็นอาศสมขาอาศงไขนี้เองเป็นอายุของมนุษย์โดยอนุมานในสมัยเริ่มแรกในสมัยเริ่มต่อมาก็ถือว่าอายุก็ร้อยปีรดปีหนึ่งร้อยปีลดปีหนึ่งไปตามลําดับเมื่ อ, อรถไปตามลําดับเสร็จเสร็จแล้วในที่สุดจริงจริงอายุจนกระทั่งถึงสิบปี แล้วก็ต่อมาก็พอทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นร้อยปีเพิ่มปีนึงเป็นเป็นต้นอะไรเนี้ยจนกระทั่งอายุของมนุษย์ยืนถึงอสงไขสีตามเดิมเวลาหนึ่งรอบของอสงไขปีนี้เรียกว่าหนึ่งอันตรกับคืออย่างนี้ว่าจากอสงไขยกลับเนี่ยแล้วก็ลดลงมาร้อยปีร้อยปีหนึงรอยปีร้อปีหนึ่งร้อยปีร้อยปีจนถึงสิบปีอายุมนุษย์สิบปีต่อมาก็้ามาทำความดีกันก็ขึ้นไปร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีเป็ถึงอสงไขย ลงแล้วขึ้นอันนี้ไดหนะ้หนึ่งอันตรกรับนี่นะหนึ่งอันตรกับเมื่อจํานวนของอันตรกรับดังกล่าวีนครบ64อันตรกรับจึงเรียกว่าเป็นหนึ่งอสงนไหกรับขึ้นลงเนะี่ย64ครั้งเป็นหนึ่งอสงนไห ก, กับก็อสงนไหกรับนี่มีอยู่สี่อสรรุนไหกับนะมีอยู่สี่อย่าง มีสังวาตตาอสงไคกลับอันนี้เป็นอสงไคกลับปรากฏในตอนที่โลกถูกทําลายคือกลับที่กําลังพินาศเรียกว่าสังวาตตาอสงไคกลับนิพพานแรกส่วนสังวตาตขาเยออสงไคกลับนี่เป็นอสงไคกลับในตอนที่โลกถูกทาลายสเสร็จเรียบร้อยแลย้ว วิวัตตาอสงไขสกลับในสายควาก็เป็นอสงไขส์กลับตอนที่โลกกำลังจะเริ่มพัฒนาสู่ภาวะปกติแต่ว่าเริ่มเจริญขึ้นเริ่มขอดัวขึ้นมามหมวิวัตาขายีก็เป็นอสงไขสกลับก็เป็นอสงไขสกลับในตอนที่โลกจเจริญขึ้นพัฒนาเรียบร้อยเป็นปกติแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ มีข้อมีควรทาความเข้าใจคือสัตว์โลกทั้งหลายเช่นมนุษย์และสัตว์ประหลาดเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ก็จเฉพาะตอนอาศงไข่กับสุดท้ายคือวิวตัตตาคาเรสงไข่กลับส่วนในสามอาศงไ ข, ข่ขั้นต้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในโลกก็จะไปอยู่ในโลกอื่นเนี่ยฉะนั้นอาศงไข่กลับเนี่ยหนึ่งหนึ่งนั่นนับเป็นเวลานานมาก ส, สัมวัตาอสงไขสกับก็นานถึง64อนตรกับสัวตาาเยอสงไขสกับก็นานถึง64อนตรากับวิวัตตาอสงไขยกับก quote, ็นานถึง64อนตรากับวิวัตตาถาเยาอสงไขสก์ก็นานถึง64อนตรากับรวม4อสงไขยกับก็เป็น256อนตรกับ เมื่อนับจำนวนทั้งเสี่ยสงไข่กับตับสองร้อยห้าบวกอันตรกับตามที่กล่าวมาจะพบจึงเป็นหนึ่งมหากับนี่เป็นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากฟังแล้วก็ขดหูดีนึงแต่ว่าทำความเข้าใจหน่อยว่าหนึ่งรอบสงไขปีเป็นหนึ่งอันตรกับหกสิบสี่อันตรกับก็เป็นหนึ่งสงไขกับ เสียสงไข่กลับก็เป็นหนึ่งมหากลับแค่เนี้ย ง, ง่ายๆเลยฉ้นการเวลาที่เป็นมหากลับเป็นเป็นอสงไขยเนี่ยหวังว่าคงจะเป็นที่เข้าใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ที่เราก็มาทําความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแบบประเภทปัญญาที่กลับสร้างบารมีเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสงไข่กับอีกเจ็แต่อีกแสนแสนตับคือคิดด้วยใจด้วยเปล่งด้วยวาจาด้วยแล้วก็ ได้รับพุทธปริยากรณ์ อ, อีกสี่อสงไขยส่วนพระพุทธเจ้าประเภทสัทธาทิศกาก็สี่สิบอสงไขยแสนกลับต้องสร้งบา ร, รมีนะอันนี้คิดด้วยใจเปล่งวาจาแล้วก็ได้รับพุทธปริยากรณ์ี้แปดอสงไขยก็เป็นสี่สิบส่วนวิริยาทิการพระพุทธเจ้าทิศกาศอสงไขยกับแสนกลับอันนี้ก็ไข่ความพิจรารณาดูนะว่ากาศที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสแต่และพระองค์เนี่ยนานมัก นานมากๆรค่นันแล้วถามว่าบุญไหมเกิดรายได้ทันเนี่ยบุญแต่บุญไม่ไปมากเพราะเราทานตอนที่โบงวันที่สองคนที่เขามีบุญดีๆเขาทานต่อหน้าบางพัแล้วเขาได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้สร้างบารมีกันแล้วเขาก็บรรู้กันเรียบรอดด้อยดีแล้วแล้วอีกอย่างก็คือว่า บุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าได้รับพุทธภยากรแล้วเนี่ยนะเออถ้าได้รับพุทธภรรยากรแล้วเนี่ยหนึ่งอ่าบอกว่าท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นนานนักหนาเนี่ยนะผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าย่อมได้รับอานิสงส์แห่งบารมีที่ประเพณีอยู่สิบแปดประการ ซึหนึ่งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะไม่เป็นคนจักสู่บอดมาแต่กําเนิดคือตายจะไม่บอดแต่ถ้าได้รับพุทพยากรแล้วนะในพระวรรดิสัตว์เนี่ยประการที่สองคือไม่เป็นคนหูหนวกแต่กําเนิดเออนี่เป็นบุญของท่านนะคนที่เป็นพระวรรดิสัตว์เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ตาบอดไม่หูหนวกไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนไบ้ไม่เป็นคนไม่ เ, นนนเตีย้ยไม่เกิดในมิราคาประเทศคือประเทศปาเทือน ไม่เกิดในท้องของท า, า, าสพนางทาสีไม่เกิดเป็นมิเนี่ยต่วิชาทิฏฐิไม่เป็นเครงตรีเพราะบรนษัทจะไม่เป็นผู้หญิงนะถ้าได้รับรับผู้ทะเบียากอลแล้วไม่ทําอันตริยก ร, รมไม่เป็นโลกเรือนทีาปัจจุบันก็คือวโรคเยื่อโรคอะไรทั้งนีเนเน้เมื่อเกิดในกำเนิดสัตว์ไดร้สารย่อมเป็นสัตว์อยู่ในประเภทที่มีกายเล็กๆต่วนกกระจา่าและก็ไม่ใหญ่โตชา้า แล้วก็ไม่เกิดอยู่ในสระเภทขุก ป, ปีตาสิกเกเพลตนิชามัตสติกเกเพลตและตารังยิกาสุรักายไม่เกิดในเวทีมหาระละละนรกโลตังตานรกเห็นไหมว่าเป็นเอพระโพธิสาก็ยังตกนรกได้แต่คือไม่ตกนรลกลำที่ได้กล่าวมาเมื่อเกิดเป็นเทวดาในกามอาปจรก็ไม่เกิดเป็นเทวดาคุณนักเข้าในเทวดาจะพวกมูมานคือไม่เป็นมานะ ให้เป็นพยายามาเมื่อเกิดเป็นองค์ขอวงพ่อธมนในรูปพระธม์เรา ก, ก็ไม่เกิดในสุดภาวะและอสัญญสัจพงษ์ไม่เกิดในรูปพระธมแล้วก็ไม่เกิดในจักรวาลอื่นอันนี้เป็นอา น, นิสงส์บารมีของพระโพธิสนะัตว์เนี่ยเกิดฉันได้ฐานะตรงนี้แล้วก็คือว่า การที่บ่มอบรมนี้เขาเรียกนียต่าโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแทนในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าชาวใดท่านมีโอกาสบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ย่อมมีใจสงองแพินดีในการที่จะบรรพชาแล้วก็ประพฤตินในจริยามียาสัทธาจริยาเป็นต้นเป็นประโยชน์แก่บุญญาแล้วก็บกรรลุบารมีอันนี้ทีนี้กา ร, รเมื่อยต่าโพธิสัตว์ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารเพื่อบรร่มบารมีอยู่นั้นน่ะ ครเวลาพราะองค์ได้อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะในเทพพบุตรอยู่นะสวรรค์นเนี่ยเช่นในชั้นบุตริษเป็นต้นเลยซึ่งมีอายุยืนนานกว่ามนาุษย์โลกมากมายนั่นแล้วองค์ของมโหฬารัต์เนี่ยจะได้หลงไหลการวาดจะหลงไหลเนี่ยนะจะหลงไหลในการมาคุณในอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่า อุปนิสัยของพระโพธิศัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะกรอบด้วยประกอบไปด้วยมหากรุณาที่คุณแก่เราสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าการที่จะรักตนเองท่านชีวิตของท่านจึงเป็นประโยชน์ท่านจึงงดตั้งเจตสิกฐ า, านไว้โตทางเมชชีวีกลงนับภวัตะปุกชีวิตของเรานี้จงอย่าได้ประพฤติสืบต่อไปในเรื่หน้าแต่นี้ไปว่าท่านก็จะทิ่ฐาน แล้วปรจุติจากเทวโลกแล้วก็อุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์เพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านต้องการจะมาเป็นอุบัติในมนุษย์เมื่อไรพระเจ้าบา ร, รมีท่านอธิษฐานได้ทันทีเลยอธิษฐานตายได้เลยอันนี้ก็เป็นความพิเศษของของท่านของบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นยี่ตักเนี่ยนะฉะนั้นในการบรรยายขยายในเรื่องของพระโพธิสัตว์มาก็ ็ก็ไม่ละเอียดอะไรเท่าไหร่ก็พอที่จะประเด็นใจความได้ในการที่จะศึกษาและทำคำสอนการที่จะศึกษาคำสอนของพุทธเจ้านี่ก็ขุ่นควนเวลาหนี่มีใครถามปัญหาอะไรไ